การปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับการหุงต้มเหมือนกับการกลัน่นการลองอะไรสักอย่างถ้าเราทำมาสี่ห้าวันเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่ามันเริ่มงวดเข้ามาทุกทีวันที่หนึ่งก็สู้กับความงว่วงความเหงาความคิดที่มันร่องรอยอยา่ในอดีตอนาคตคนปฏิบัติธรรมใหม่ๆจะมีแต่อนาคต ความคิดมันไปอนาคตเยอะเพราะยังจับจุดไม่ได้มันยังไม่อยู่กับปัจจุบันจะปฏิบัติไปสักสามสี่วันเนี่ยคนจะอยู่กับอดีตถ้าคนยังอยู่กับอนาคตอยู่ในสมาธิยังไม่มีแต่ถ้าอยู่กับอดีตมันเริ่มมีบ้างนะแล้วเราสังเกตง่ายๆคือพอจิตมันไม่ออกเนี่ยมันเหมือนคนอยู่ในบ้านตัวเอง แทนที่มันจะอยู่เฉยมันก็ไม่อยู่เฉยเมื่อทํานั่นทํานี่ในบ้านมันนะแต่ก่อนมีจะไปเที่ยวแต่เมื่ออยู่บ้านใอยู่บ้านมันก็ปัดกวาดบ้างทํานู่นทำนี่หาเรื่องทําที่เราใช้มันอยู่เฉยเฉยทำไมไม่ที่จะอยู่เฉยเฉยเป็นตอนั้นจากกันอยู่กับอดีตเราก็ดึงมาให้มันอยู่ปัจจุบันคน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีอนาคตนะจิตมันไม่ค่อยมีอนาคตสังเกตดูหไหมมีแต่อดีตเพราะอนาคตไม่รู้จะคิดไปทําไมคิดไปเดี๋ยวก็ตายแล้วป่วยไข้ประมาณนี้ยก็เลยต้องอยู่กับบัรจุบกไปถึงอดีตอดีตก็คิดถึงคนรักคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงทรัพย์สมบัติมรดก จะเอายังไงดีน เ, นเนี่ยจิตมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่มีกําลังจะไปข้างหน้าเหมือนกันเวลาเราเจริญสติมาสักพักหนึ่งเนี่ยจิตมันจะไปข้างหน้าไม่ค่อยได้เหมือนถูกล้อมรั้วเอาไว้เราก็พยายามที่จะทําความรู้สึกตัวอันนี้ให้ต่อนเนื่องคนอยู่กับอดีตก็จะเศร้าหมองกับอดีตทำไมคนนั้นไม่มาเยี่ยมสมบัติเราก็มีไม่น่าจะเอาใจใส่นะ ปีใหม่อย่างเงี้ยต้องซ่องขีดเลยเราจะคอยลูกคอยหลานดูคนนั้นจะมาเยี่ยมไหมคนนี้จะมาดูแลไหมถ้าเขาไม่มามันก็เศร้าหมองก็ ค, คิดนะปรุงแต่งไปคนแ ก, แก่จะคิดถึงอดีตเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวคิดถึงอนาคตถ้าเด็กจริงๆเนี่ยเพลินไปวันๆสนุกสนานไปวันๆดัง น, นั้นเวลาเกิด วิปัสนาญาณขึ้นมาเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมในทิศทางของจิตก็คือตวัดย้อนกลับหลังคือเวลามันเกิดวิปัสสนาเมื่อจะเกิดการช็อกสัญญาเดิมก่อนเมื่อวานโยมเคยปฏิบัติทำ ม, มามาจากหาดใหญ่พาภรรยา ม, มาจะไปร้อยเอ็ดมีความรู้สึกว่าปฏิบัติกลับไปแล้ววันใจมันสบาย โ ล, งลง่งๆแต่ว่าเขาบอกว่าหัวมันไม่ไวจะเป็นคนชอบลืมนั่นลืมนี่เมันเหมือนคนไม่มีอนาคตสงสัยก็เลยมาถามเว ม, มาถา ม, มันถามว่าลืมนะดีแล้วจะได้ไม่ทุกข์จำมากเดี๋ยวลุกโประสาทภรรยาว่ามันก็เฉยาครับก็ทำความเพียร อยู่ที่บ้านในสบายในะสบายแต่ว่ามันเหมือนไม่มีอนาคตไม่มีอะไรเธอว่าชีวิตมันจะมีอะไรมันไม่อยากคิดไปว่าคิดไปมันเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากคิดเนี่ยเพราะว่าดูให้หน่อยว่ามันติดความสงบไหมจิตเนี่ยนี่ถามว่าเธอติดสงบไหมหรอือ เาว่าติดสงบในยติดสงบแบบไม่รู้สงบแบบไม่รู้แล้วว่าติดะแต่ถ้า ร, ารู้อยู่สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้และลึกรู้ตลอดเข้าใจในความเป็นอนิจจังของความคิดเห็นความคิดเกิดดับบ่อยๆเห็นการปล่อยวางขันห้าได้อยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ย มันไม่ใช่ติดถ้าเราส่องใสเราสามารถไปทําการทํางานได้ทําโน่นทำนี่บ้างเนะทํางานอดีตเด็กนี่นี่น้อยไปนี่เด็นี่เด็กถ้าพย า, ยามสังเกตใจตัวเองไปมันก็จะผอ่องใสเดี๋ยวไม่ทรงคําว่าไม่ถ้าไม่ผองใสมันก็จะชอบไปนั่งสมาธิชอบนั่งชอบอยู่เฉยเฉยไม่สนใจอะไรเนี่ยะ อันนี้มันทําอะไรก็ได้สมาธิแบบนี้จะทําอะไรก็ได้คือมันเป็นจิตตื่นไม่ใช่จิตหลับสมาธิแบบจิตหลับคือหลับไปเลยอันนี้จิตตื่นคือมันตื่นตัวตลอดเวลาหลวตาก็โอ้ก็ยังดีเนาะฝึกปฏิบัติกลับไปเขายังไปทําความเพียรมนจะปีหนึ่งแล้วก็ยังขยันเลย <c oughs> คิดถึงขี่รถมาหาไม่ใช่ใกล้นะไกลมาถามนะ ยังมีปีติอยู่เลยพอถามพอพูดคุยน้ําตาซึมเลยกราบได้ว่ายในน้ําตาไหลเนี่ยอืแสดงว่าเขายังอยู่ในเส้นทางเขาไม่ได้ไปไหนหายากผู้ชายที่ทําเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี้ยากมีปัญหาอะไรคู่เตะเมียที่บอกไม่รู้มันมาได้ยังไงเมียดุดาว่าเก่าอะไรเนี่ยมันจะพูดมากนะผมไปบวชนะเนี่ย จะไปโ่เขาอาเอาจริงเลยบอกนี่นายก็เอาจะคู่เมียแล้วก็รู้นะแต่ว่ามันไม่ได้ไงมันก็ก็รู้นะความคิดแต่เนี้มันมีถนะ้าอยากบวชจริงๆนะแกว่ามันเหมือนรู้สึกว่าชีวิตมันคนละทางเขานี่มีแต่จะให้พาล่าพารวยพาโน่นพานี่ผมก็ว่าทำขนาดเนี้ยชีวิตที่เหลือนี่ก็ไปหาปฏิบัติธรรมชวนเขาปฏิบัติธรรมเขาไม่เอา พัญญาในพามาไหว้แก ย, ยังไม่มาเลยเมื่อวานมาแต่สามีคนเรามันไม่เข้ากันด้วยธาตุธาตุมันไม่เข้ากัน่ะคนหนึ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอีกคนหนึ่งเป็นอีกแบบนึง่งจริงๆก็เรียกว่าสมรสเนี่ยสมรสสมรสผู้มีรสเสมอกันไม่ว่าจะรสทางธรรมรสทางโลกภาษาเนี่ยเขาใช้คำว่าทัศนคติ มันต้องเสมอกันมีศีลเสมอกันสมศีลาสมชาคามีการปล่อยวางเหมือนกันมีความปกติเหมือนกันมีรักษาศีลเหมือนกันถ้าอย่างนี้คู่คู่ชีวิตคู่เนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ถ้าคนละอย่างนะกิเลสตัณหามากมายไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้อันตรายแสดงว่ามันไม่ใช่สมรสมองคนสมรสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ คนหนึ่งอยู่กับอดีตคนหนึ่งอยู่อนาคตคนหนึ่งกําลังทําลายอดีตสลายอดีตดับอนาคตคาว่าดับอนาคตคือความคิดความอะไรมันมันมีอดีตก็เหมือนกันแหละมันเป็นความจําเราจํำใครมันก็เป็นใหม่ น, นั้นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีราคะโทสะโมหะในความจววําเแค่เรากวาดทิ้งเรากลองมันใหม่หมดนะความคิดยังไงมาก็ช่างวันนะดับทิ้งหมดคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วก็ไม่เอา คิดอดีตก็ไม่เอาคิดอนาคตก็ไม่เอามันก็จะขึ้นมาอยู่วันกันเนี่ยเพียงแต่ว่าความโลภมันไม่มีในความคิดอันนั้นความโกรธมันไม่มีความหลงไปอยู่ในอารมณ์มันไม่มียิ่งเราไม่หลงโลภโกรธก็ไม่เกิดเพราะถ้ามันหลงเข้าไปในความคิดเนี่ยมันไปเลยนะนั้นฝึกสติสติรู้เท่าทันความคิดอันนี้รู้เท่าทันความหลงก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้อยู่กับปัจจุบัน ยิ่งมีความรู้อยู่กับปัจจุบันมากเท่าไหร่ก็คือสมาธินั่นแหละตัวสมาธิถ้ามาตั้งมั่นมากๆ ก, ก็กลายเป็นญาณเขาใช้คําว่ายะถาภูตยานเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็คือดูอาการมันทนไม่ได้ทนไม่คิดไม่ได้มนุษย์เนี่ยทนไม่คิดไม่ได้ไอ้ที่คิดน่นก็จะให้มันตั้งอยู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็สลาย เขาเรียกว่าทุกทุกแปลว่าทนได้ยากร่างกายเรานี่แต่ละส่วนเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้เดี๋ยวเมื่อยตรงโน่นตรงนี้วันวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปด้วยการบริหารสังขารเดี๋ยวพามันนั่งเดี๋ยวพามันนอนเดี๋ยวพามันกินพามันดื่มเดี๋ยวมันหงุดหงิดเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันรักเดี๋ยวมันชังเดี๋ยวมันโกรธ เป็นว่าใครว่าอะไรมันก็ติดอารมณ์มันจิตเป็นแผลแล้วมันมีอะไรที่มันไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่มีเพราะว่าปัจจัยสี่เป็นเครื่องสนองร่างกายสังขารพออยู่ได้แต่เราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะกินก็หายรสอร่อยๆเสื้อผ้าห่มเพื่อป้องกันร้อนหนาวมันก็ไม่เอาอ่ะมันเอาจริงเอาจังมากต้องกินแบบนั้นต้องดื่มแบบนี้ ต้องนุ่งสีนั่นสีนี้ที่รลับที่นอนถ้าทำเหมือนนกเนี่ยก็จะง่ายอันนี้มันก็จะใหญ่โตไปเรื่อย que, ความรู้สึนกนคิดเนี่ยยารักษาโรค ก, ก็กินธรรมดาไม่กินของนอกกิน น, น่นกินนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยฉันยาดองด้วยน้ำมูดน้าน้ำปัสสาวะน้ำอะไรเป็นยามหาวิกัดนั้นอุปทานเราก็เกินเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่มีรถยนต์เนี่ยก็แย่แล้ว ปัจจัยที่ห้าที่หกไปเรื่อยๆดูดิชีวิตมันจําเป็นปัณ น, น, นไหมแม่ไม่ไมจําเป็นพวกเราเองมาสร้างเงื่อนไห้กับชีวิตตัวเองสร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตตัวเอ ง, ง, เ ง, เองแล้วก็บอกว่ามันต้องขาดอันนั้นไม่ได้ขาดอันนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายเวลาคิดไปข้างหน้าไม่ได้จิตอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยมันจะนึกถึงอดีตไหลลงไปอดีตลึกลงลึกลงน้าตาไหลพรากเลย เวลาแก่คิดถึงลูกทั้งหลานวันนั้นทําไมเป็นเนื้อเนี่ยจะคิดรวยไปข้างหน้าไม่ไม่คิดเน่ยเพราะว่ามันไม่ได้คิดไปทําไมคิดไปเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กล่ะมันไม่ได้คิดไปข้างหน้าน่ะไม่ได้คิดรวยคิดสวยคิดงามคิดก็คิดว่าทุกอย่างก็คือมันเป็นอย่างนี้ของมันเองเนี่ยสังขารร่างกายเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วเลยก็ทําเป็นธรรมชาติชาต มันก็จะปรงนะชีวิตมันก็จะเบาเบาในลักษณะของการเอามาเดินทางทางจิตเนี่ยเดินทางในเส้นทางของมรรคผลเมันจะเบาแต่ถ้าอยู่กับอดีตอนาคตมัวหลงทางไปกับความร่ำความรวยความกิเดีตัญหาราคาไหลไปอยู่กับภพบกับชาติอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอันนี้อันตรายมันไม่เบาธุรกิจมันเยอะเห็นไหม กิจในพระศาสนานี้มีแค่สองอย่างเท่านั้นเองนกิจสมถะกับกิจวิปัสสนาคันฑะทุระวิปัสสนาทุระเนี่ยคันฑะทุระก็คือการมาฟังเรียนรู้ให้มันเข้าใจพอเข้าใจก็วิปัสสนาทุระคือทําให้มันเกิดการรู้แจ้งชีวิตมีแค่เนี้ยมันไม่มีอะไรนอกนั้นเนี่ยแต่ที่มันมีเยอะๆเพราะอะไรเพราะเราไปสมมติ ให้ชีวิตมันยุ่งยากถามว่าเรามีอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วเราประสบความสำเร็จอะไรชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมิจฉ่เกลียบตายแก่เจ็บตา ย, ตายมันก็ไม่พ้น่ะชีวิตเราสนุกสนานมาพอแล้วสามสิบปียี่สิบปียี่สิบห้าปีก็ถือว่าเยอะแล้วชีวิตที่เอาไปเล่นเนี่ยมันเยอะแล้วนี่เป็นชีวิตหาธรรมนะจนกระทั่งว่าเรารู้สึกว่า ทำไมมันจึงเคยคลายเกิดสํารอกกิเลสพวกนั้นออกได้เหมือนเราไปกินอาหารผิดมาอยู่ๆก็จะให้ดีท็อกเนี่ยทาไม่จะดีท็อกออกได้มันทําไม่ได้เพราะขาบวนการการทํามันไม่มีพอสติมันไม่มีพอสมาธิไม่พอคุณยังไงคือตัวยามันไม่พอถ้าเราจะได้สติเท่ากับสติที่เราเคยมีเคยเป็นไม่พอมันไม่เกิดการสํารอกกิเลส แล้วกินยาย า, ย า, ยายอยู่หนึ่งเม็ดสองเม็ดไม่พอต้องกินเจ็ดเม็ดกินเจ็ดวันแล้วอยู่ในความควบคุมของแพทย์อะไรประมาณนะั้นต้องขยันต้องอย่าไปแสดงแหลงมันหนึ่งอย่าไปกินในเวลาวิการอสองจยไปเสพความง่วงอย่าไปเสพ ค, ความคิดอย่าไปยุ่งกับกรารมอย่าไปฟุ้งซ่าน อย่าเป็นลังเลสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารอาหารของอวิชชาความว่วงความคิดพวกนี้ให้อยู่กับปัจจุบันนะทำไว้แตะลึกรู้ไว้เนี่ยช่วงกินยาเนี่ยเราต้องควบคุมตัวเองนะเมื่อเราไปหาหมอนะเน่ะเรู้ว่าเราเป็นโรคไปหาหมอหมอเขาก็จะบอกว่าระเบียบการรักษามีอะไรบ้างอยู่ห้องพิเศษต้องยังไงอยู่อะไรยังไงเขาจะง่าย แต่รักษาเสร็จแล้วเราออกมาเนี่ยเราก็สบายมันหายแล้วเหมือนกันเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าให้งดอะไรให้หยุดอะไรให้เสพอะไรให้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราต้องเชื่อฟังแล้วเราก็ทำทำเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นรักษาจะมารักษาแผลใจเพราะมันหายปุ๊บมันก็กลับไปได้พอกลับไปก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมดา คนที่ไม่สามารถที่รักษาได้เนี่ยในตำราท่านบอกนะเมื่อกี้นะเศพษเมถุนหนึ่งละของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์นอกคันในคันพูดอวดอุตริมนุสธรรมคำว่าเศพเมถุนเนี่ยในแง่ของปรมตถธรรมเนี่ยหมายถึงการเสพความคิดฝ่ายตำ่ำบุคคลใดก็ตามที่ยังเสพทำต่ำๆ่าเนี่ยบุคคลไม่สามารถที่จะเข้าสู่สัจธรรมได้ ม, รรมีทุนนิธรรมทำฝ่ายต่ําเสียความคิดความกโกรธความวนหิตอึดอัดขัดเคืองติดอยู่ในภพในชาติปะเนี้ยคิดครั้งหนึ่งก็ภพบหนึ่งจบเรื่องหนึ่งก็ชาติหนึ่งภูมิหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งมันเข้าไปในภูมิในภพไม่รู้กี่ครั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ให้มันเสพความคิดอันนั้นละของเขาเนี่ยท่านหมายถึงไปขโมยมาไปจํามาเนี่ย ไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติของตัวเองเราไม่ได้เห็นแจ้งด้วยตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดศีลข้อสองรักของเขาเนี่ยไปรักเอาของคนนั้นมาไปจำเอาของคนนี้มาพูดในต่กันว่าพระพุทธเจ้ากล่าววา่าก็ไปเอาของมพระพุทธเจ้ามามันไม่ได้เห็นทำด้วยตัวเองอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทำได้ไม่สามารถที่รู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะมันยังมีการขโมยอยู่ พวจอุตริมนุสธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ก็คือพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วดันพูดมีรู้น้อยดันดันพูดมากก็ตัวเองเห็นเป็นมีอะไรไประมาณนั้นพูดมากพวกนี้ก็จะไม่เจริญในธรรมเพราะมนันอุต ร, รมิมันโกหกไงพวดอุตริมนุสธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตัวเองเป็นนบัติไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในมรรคผลนิพพานได้ข่าคนทีเนี่ย ฆ่าสัตว์แกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายนอกคันในคันตาําราแต่ในภาษาวเงี้ยของปรมาจิตนี่หมายถึงการฆ่าสัตว์จะในตัวเองไม่ใช่ฆ่าคนที่มันเป็นรูปนี่นะคนนี่จริงๆมันไม่มีเ่ยมันเป็นเพียงรูปพระนี่เขาเรียก ว, ว่าเป็นรูปพระหนึ่งรูปสองรูปสามรูปไม่มีคนจริงๆถ้าเป็นโยมแ่ะโยมนี่เขาเรียกวเป็นภาพเขาเรียก ว, ว่าเจ้าภาพ นี่มลพระสองรูปไปบ้านเจ้าภาพมีแต่รูปกับภาพเท่านั้นเองมันไม่มีจริงนี่ไม่ได้สอนในฆ่าคนนะแต่ในแง่ของปรัตญถธรรมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเห็นไหมเราได้ยินเรื่องเราพ ร, พระองค์กุริมานฆ่าคนตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนปฏิบัติธรรมยังบรรลุอลหรหันต์เลยคนอยู่กับครอบครัวกับผัวกับเมียเขามาปฏิบัติธรรมเขาก็บรรลุธรรมได้ เราก็ต้องหาว่าเอ๊ะจริงๆรเนี่ยเคล็ดลับตัวนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะของการรู้ธรรมเนี่ยอยู่ท่านห้ามวนะันนั้นเดี๋ยวท่านห้ามวันนะี้หมายถึงว่าถ้าสมว่าเราไปโกรธใครเกลียดใครฆ่า ใ, ใครเนี่ยโทสะมันขึ้นสูงไอ้ตัวโทสะมันมีเนี่ยมันตกนรกแล้วมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมวันนี้ได้มันคิดเยอะอย่างเราฆ่าพ่อฆ่าแม่เวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพราะจิตมันสงบมันจะแต่วัดกับหลังแล้วมันจะไปเจอต่ออันนี้ขึ้นมา มันจะผ่านยากเพราะเราไปใส่ร ห, หัสเอาไว้ว่าพ่อแม่นี่คือผู้มีบุญคุณมากไปฆ่าท่านแล้วจะเกิดบาปเกิดกรรมเกิดโน่นกุนนี่เรานึกถึงคนมีบุญมีคุณปุบธรรมค้ำชุนกันมาเนี่ยแต่มันจะติดอารมณ์แม้แต่าวางคนเนี่มาปฏิบัติธรรมยังห่วงหมาก็มีนะว่าไม่มีใครเอาเข้าให้หมาคิดถึงหมาหมากูหมากรูแค่นี้ก็ติดแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมแล้ว นักภาษาอะไรไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ไปทำร้ายโทรสะมันเยอ ะ, ะนั่นเองแต่ถ้ามันสงบได้ทำอยู่กับปัจจุบันเป็นก็เกิดปัญญารููแจ้งในเหมือนกันนื่องจานั้นถ้าเราเข้าใจในเจตนาของพระพุทธธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือทำขอเข้าใจในบทก็จะง่ายถ้าเราเข้าใจนะอย่างกฎหมายทุกชนิดเนี่ย ถ้าไปขัดกับรัฐธรรมนูนเนี่ยถือว่าผิดนะกฎหมายลูกกฎหมายอะไรก็ตามนะผิดถ้าไปขัดรัฐธรรมนูนเนี่ยถือว่าโมฆะไปเลยคําสอนในทางพุทธ ศ, ศาสนาก็เหมือนกันนะถ้าคําสอนไหนที่ขัดกับหลักของไตรลักษณ์คือทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกอย่างไม่มีอ่ทุกอย่างล้วนเป็นทุกปรากฏการณ์ของทุกทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นอนัตตาอะไรก็ทำที่ม า, าขัดกับหลักของอนิจจังอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นไม่ค่อยมีผลนะเป็นโมฆะไปเลยคำสอนแบบนั้นนะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าจะไม่รู้นะเราคิดใหม่ว่ามันรู้ได้เข้าใจได้เข้าถึงทำได้เพราะทุกอย่างเนี่ยทำอะไรก็ทำบาปกรมขนาดไหนก็ทาทาดีขนาดไหนทำชั่วขนาดไหนก็ทาก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนเดิม น, นี่คือกฎสากล์นี่เป็นธรรมนูญของสรรพสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นนัตทาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน เมื่อไร่เราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแนละมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับความคิดมาแล้วมันก็นดับไปความวุ่งความเงามาตัดได้ดับได้อยู่เรื่อยแสดงว่าเรากำลังเข้าสู่เส้นทางละเส้นทางของมรรคของผลเนี่ยจะไปทางนี้แลน่นี่เห็นด้วยปัญญานะแต่ไม่ใช่เห็นด้วยความจําด้วยสัญญาไม่ใช่นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอัปกาเตมนุสเซสุยเยตเจชนาปาราคาเมนู ผู้ที่มุ่งมั่นเพื่อจะไปถึงฝั่งเนี่ยมีน้อยนักส่วนมากก็จะวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งวิ่งไปวิ่งมาในนี้เองไม่สามารถที่ขึ้นฝั่งอย่างพระนิพพานได้เย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> จะโขสมถักทธาเตทะ ม, มีธรรมานุวัติโน <Yeah. S 2> ก็ชนเหล่าใดใครก็ตามที่ประพฤติธทำสมควรแก่ทำทำที่สมควรแก่ทำนะไม่ใช่อยากบรรลุธรรมแต่เพราะปฏิบัติเพราะเพะเพแย่ๆเนี่ยม <c oughs> ันนี้มันไม่เป็นให้ อยากกินอาหารดีๆอยากมีบ้านสวยๆรวยๆทางานหาเงินก็เล่นๆหั ว, หวไม่ตั้งใจจริงมิหนำซ้ําเรื่นการพนันอีต่างหากนี่โอ้ยนี่จะยากดังนั้นถ้าเราอยากเห็นธรรมที่ลึกซึ้งต้องประพฤติทำให้สมควรแก่ทำอาเคเนะจะโค อ, อาคัสสะปฏิหุนติการบรรลุธรรมันเลิศด้วยการกระทมามันเลิศจะเกิดขึ้นได้ อาคณะฮ่นี่นะอาคัสปติหุนติแต่การบรรลุธรร ม, มเลิศด้วยการกระทําแบบเร็วๆเป็นไปไม่ได้ย่อมมีไม่ได้เลยถ้าเราทําถูกทําต่อเนื่องปัญญามันก็เกิดถามดูตัวเองเนี่ยตัวเองสามารถเห็นอนิจจงด้วยปัญญาไหมเห็นอนัตตาด้วยปัญญาไหม เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาวิธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาคือกระทบปุ๊บแล้วกระดับกระทบปุ๊บแลกระดับอนัตตาแบบถาวรคือดับแบบถาวรเลยไม่ต้องมากำหนดรู้ใหม่อีกเรื่องนั้นดับแล้วคนที่สามารถเห็นอ น, นิจจังอ น, นิจจละักษณะอยู่ บ, บ่อยๆก็าสามารถเข้าถึงความเป็นอรหันต์ความเป็นผู้ดับทุกข์ได้บางคนไม่ได้มีอะไรเนี่ยสามารถดูอนัตตา อยู่เรื่อยๆอนาตตาเกิดขึ้นก็รู้รู้รอนาตตาเนี่ยมันเกิดมันดับไปเรื่อยก็สามารถพ้นทุกข์ได้ทุกข์เนี่ยมันดับได้ก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงไงเออความคิดมันเกิดแล้วมันดับเนาะเนี่ยมันปรงนะเนี่ยธรรมะนี่ไม่สามารถจะเห็นข้างนอกได้และจะดับทุกข์ข้างในได้นะต้องดูจากข้างในออกไปข้างนอกแต่ทางโลกนี่มองจากข้างนอกอันนี้จังกับข้างนอกธรรมะก็คือต้นไม้ภูเขาไปโ น, น่นคนละเรื่องนะ ธรรมะคือธรรมชาติของจิตที่เป็นอณิจังที่มันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับเนี่ยอยู่ตรงนี้ต้องมองมาข้างในนี้ไปอ่านบทความประวัติของหลวงปู่ขาวอนาะรโยเนี่ยท่านก็มีลูกตั้งห้าคนนั่นน่ะสาเหตุที่ท่านออกบวชไม่ใช่อะไรนะเมียท่านมีชู้หลวงปู่ขาวว่าท่านทำกองเพลนเนี่ยตั้งใจว่าเจามีดฟันชู้นะ เอาจอบสักมันเังไยแต่เผอิญว่าในช่วงนั้นมีหลวงปู่มัน่นท่านทุดงผ่านไปถนนในข่าวนี้ก็เลยไปฟังธรรมด้วยมันสะกิดใจคือคิดนอนก็ไม่หลับอะไรก็ไม่มันงุนงิดมันมีมีชู้ไงไปฟังธรรมท่านบอกว่ามันบาปมันกรรมใครทำบาปกรรมอะไรผิดศีลผิดทําอะไรก็ให้ขอรับกรรมมา น, นั้นเราอย่าไปทาร้ายคน พวกอย่างมันเป็นความรู้สึกเป็นความหวงความหวงความหวงความอาลัยอาวร์ความยึดติดเราไม่ฆ่าเขาตายมันก็ตายอยู่แล้วไม่แต่ตัวเราเองที่เราไปฆ่าคนอื่นตายเราเองก็ต้องตายอยู่เหมือนกันที่เรามีความสุขเราไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยท่านก็จะสอนทุกอย่างมันไม่มีมันเป็นอนัตตาแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญญาที่จะเห็นไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตา เมือนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำมันเป็นยาพิษเราสายใจนะแต่เรากินยาพิษนะั่นแ่ละเราจะคิดเยอะสิ่งที่เราว่ามันมีเนะี่ยมันบังตามเป็นเงาเฉยเฉยท่านมาทบทวนดูท่านเข้าใจเรื่องอันนี้จังนะดิ้ชีวิตเนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาเนะี่ยมันจะเบื่อหน่ายมันเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนะ นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพานดูที่นิพานไม่ได้อยู่ไกลเลยเมื่อไหร่ที่เขาเกิดเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เราเยึดติดเนี่ยบ่เป็นจริงเป็นจังปล่อยวางหลังจากนั้นต่้งแตถวายตัวเป็นคนอุปถากขค่อยติดตามเไปใเชื้เรื่อยจนกระทั่งว่าท่านเองเป็นผู้หนึ่งที่มีความบริสุทธิ์แห่งใจปรากฏเกิดขึ้นอย่างขาวสะอาดเหมือนลุงปู่ขาวชื่อ เป็นพระสุปฏิปโนโองค์หนึ่งหลวงตาแต่ก่อนศรัทธาคำสอนนั้นมากท่านจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนะลุงผู้ขาวดยแต่ธรรมะของท่านนี่จะบริสุทธิ์มากเแล้วพูดไปแล้วเฮียแล้วเขาให้แสดงธรรมนโอ้โหไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรพ่อเมีครูบาอาจารย์โคงรู้หมดละมั่งจเจามาเ้ามาขายสวนนี่นะ ท่นเป็นคนอ่อนน้อมมากของภูเขาแต่มีกําลังใจอย่างหนึ่งก็คือท่านก็มีลูกตังเยอะออกบวชเขาไม่ได้สายเหตุพเพราะเลื่อมใสอะไรมากเพราะเห็นว่าความคิดที่มันเป็นทุกข์ความยึดติด ก, กับครอบกับครัวกลัวาบากลัวกรรมได้อยู่ไปกลัวฆ่าคนอื่นเนี่ยพอได้ฟังธรรมเอามันตื่นนที่จิตเนี่ยมันยอมรับเลยสิโออย่าไปยึดมั่นหรือมั่นเลยเนาะทุกอย่างก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติ คำมาสกมิกะมาทายโตคำมาโยนิครมาปันตุครมปฏิสาราน้ยังกคำมาการิสัมมิกานัยนั้งว่าปะปังวัตสัตตาตับวิสัมมิใครทำคำใดไว้กรมดีก็ทำชั่วก็ทำคนนั้นตรองรับผลกรรมของเราเองถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะไหลเข้าไปในผลกรรมคือความคิดของตัวเองคิดว่าตัวเองมีคิดว่าคนอื่นถูกคนนี้ผิดคนนั้นบาปคนนี้บุญเราก็จะรับผลกรรมมานี้อยู่ด้วย สิ่งที่ควรทำก็คือทำอยังไงก็ได้ที่จใจมันเหนือกรรมให้มันอยู่เหนือซะอย่าเข้าไปในทุกข์ซะจิตมันก็จะผ่องใสใจก็จะเบิกบานนั้นท่านก็ทำแบบนั้นฝึกฝืนของเราเองเนี่ยมีผัวมีเมีย ม, มีพี่มีน้องมีลูกมีเต้ามาจนป่านนี้ยังไม่คิดจะถอยเลยเยังเพลิดเพลินมันเป็นเครื่องมือดักสัตว์ไว้อย่างดีเลยนะพวกนี้ความหลงเนี่ย ดักเอาไว้ไม่ให้เรารอดออกมาได้เลยเรายังสนุกสนานไปทั้งถึงวันตายเน่นะเรายังไม่รู้สึกว่ายัางอันนั้นยังอันนี้อยู่มันไม่ได้คิดเหนื่อยในในสังขารในทุกไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเพนรละลึกรู้เป็นดับทุกข์ได้แล้วท่านว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายเป็นอนาตาัตตานิพพานไม่อนิจจงนะ แต่นิพพานนี้ก็เป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่รนนั่นเป็นธรรมหมดจดมันจะหมดจดขึ้นมาดีเธมองเห็นเอา้าธรรมะที่เจอก็เป็นอนัตตาไ ม, มไม่มีตัวไม่มีตนเพียงเพื่ออาศัยระลึกระลึกรู้รู้โอ้มันมีแบบนี้เนาะเน้อมันเป็นแบบนี้รู้แล้วเป็นที่พึ่งอย่างเราบอกว่ามาเอาพุทธะเป็นสารณะที่พึ่งพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบาน เราเอาพุทธสภาวะเป็นที่พึ่งของจิตเดี๋ยวนี้เราเอาความคิดนะเอาตัณหาเป็นที่พึ่งของจิตเราอย่างเขาบอกไปพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพุทธเนี่ยพึ่งตัวรู้นี่แหละเห็นไหมเรายกมือสอยอพึ่งตัวรู้ไม่รู้มันก็เข้าไปในเหงาไม่รู้มันเข้าไปในง่วงเขาเป็นอยู่ในความคิดซาในจิตนะนั่นคอคว่าพุทธทังสรรังคัจฉามิคือพุทธสภาวะเนี่ยไม่ใช่ไปเอาพระพุทธรูปเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ใช่ ธรรมะก็คือความดีความถูกต้องเอาสภาวธรรมที่รู้แจ้งเองเห็นเองเป็นเองขึ้นมานะี่ะมันเป็นที่พึ่งคือจิตมันจะพึ่งอันนั้นสังฆะคือเอาเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติถูกปฏิบัติเหมาะสมเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นเสนาไม่ใช่ไปเอาประสงค์ที่วัดที่ว่าเป็นที่พึ่งเป็นเสนาไม่ใช่พุทธธรรมะสังฆะเขาเรียกว่าแก้วสารพัดนลกแก้วสามประการแก้วสามประการนะ รัตนไตรจิตมันผ่องใสดุจ ด, ดังแก้วถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ทุกข์เด็แต่ปัญหามันคือมันเป็นทุกข์ว่าเราไม่หลงไม่เห็นก็เลยหลงทางไปอยู่กับความปรุงแต่งอยู่กับขีดตัณหาราคะอยู่กับภพ ก, กับชาติวันวันหนึ่งเนี่ยอยู่กับอาสวะเคยได้ยินไม่เศษสวะไอ้พวกเศษสวะเนี่ยสวะกามาสวะกามาสวะภวาสวะวิชาสวะจิตเราเนี่ยมันหมักหมม จนกระทั่งมันมเป็นตัวตนเมื่อก่อนโสดเราไปรักลูกสาวใครเนี่ยลูกชายใครแต่ก่อนยังไม่อะไรเท่าไหร่นะ่แต่พอรักมากๆเลยจะเป็นเริ่มรักขึ้นมาความรักกับมากขึ้นมาขึ้นวันนี้กับรักเขาทําดีกับเราเราก็เลยหลงไปเรื่อยมันพูดดีคุยดีครับมาหารเนีกินดีเอาใจใส่ดูแลลูกหน้าลูกหลังสะหัวล้างตีนแกะขี้เล็บให้ปุ้เนี่ยมันเริ่มพอใจ มันพอใจแล้วนานๆเข้าไปไหนมาไหนก็คิดถึงเขาก็คิดถึงเขาเนี่ยเ็าเรียกว่าอาสะวะธรรมปรากฏเกิดขึ้นอาสะวะคือมันหมักหมมไงคุณหลงแล้วหลงพ่อหลงแม่หลงพี่หลงน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะออกได้มีแต่มีก็วางไว้เนี่ยเหมือนคนรู้จักกันธรรมดาเนี่ยถ้างั้นมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนเศษสวะที่อยู่ในหนาวหนองเนี่ย ถ้ามันหมักหมมนานเข้านาะเข้ามันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันเต็มเลยเวลาไปเอาออกเนี่ยยากมากขุนฟุ้งกระจายเลยไปแตะต้องไม่ได้เรื่องอันนี้เนี่จิตเราจะฟุ้งขึ้นมาแตดีเขาเรียกว่าสวะอาสวะอาสวะธรรมธรรมหรือกิเลสประเภทอาสวะแก้ยากมากเนี่ยเขาถึงบอกว่าทานของเราอนี้จงเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะด้วยเถินเหมือนยากนะอาสวะมันไม่ออกง่ายๆ่ยนะ กันกิเลสตื้นตื้นเนี่ยยังออกยากอาคันตู ก, กะกิเลสออาคันตัว ก, กิเลคือกิเลสที่มันจรมามันแวบเข้ามาแวบเข้ามาเห็นคนนั้นก็นามาปรุงแต่งกระทบอันนี้มันเกินึกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสที่มันจรมาอันนี้แต่กิเลสที่เป็นอาสวะนี่คือหมักหมมมาตั้งแต่เกิดนะกามกามอาสวะภวาสวะอาสวะคือภพชาติภ พ, ช า, พชาติคือเราไปจําเรื่องอะไรเราไปติดอันนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องกาม แต่มันติดเรื่องเรื่องที่เราไปทำไว้น่ทะทําไร่ทําสวนทำนํำนาทำอะไรก็ทํามันไปติดมันผูกพันนั่นบางคนพอเวลาตายแล้วไปเฝ้าสวนเนะ่ยบางคนเอาเงินสอดไว้ในใต้เนี่ยหลังเสาหลังอะไรเนี่ยในหมู่บ้านในบ้านที่เลือนเนะีเวลาตายมันจะคิดถึงเนี่ยในตาําราเขาบอก ม, มันมีตุ๊กแกตัวหนึ่งมาลอ้อมก็แก่ก็แก่นะแต่มันท้องด้วย น, นะ่ไอ้ตุ๊กแกนะ พอจิตของคนนี้หลุดพวะเอาไปมันก็ไปนึกถึงเงินสมบัติที่ฝากเอาไว้นั่นกลายเป็นลูกโกแก่นั่นแล้วก็เฝ้าอยู่เลยนั้นในตำราก็เหมือนกันมีพระเขาถวาไไยไตจีวรมามันมีจีวรตัวเองก็มีอยู่แล้วสวยๆงางามเนี่ยเรื่องของติดสะก็เลยไม่ไสวมใส่ก็ถือพระไตนั่นไว้พยายามเก็บไว้วก็รักมันมากพอตายไปนี่ไปเป็นไรตัวไรอะตัวไรไรไ ร, ไรจันไร ฟังอยู่ในนั้นใครเอาไปหม่มกัดเขานะ่จนทำว่าเรื่องถึงประสาสดาเนี่ยฉนตัวเราเองเนี่ยมันจะอยู่ในประเภทของอาสวะตอนนี้เนี่ยอาสวะธรรมเนี่ยถ้าไม่เกิดวิปัสนาญาณไม่เกิดญาณทัศาน์เนี่ยมันไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดไม่จะรักหมาตัวเดียวก็เหมือนกันนะรักเลี้ยงมันทุกวันจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาไม่ได้ห่วงมันเลี้ยงควายตัวหนึ่งก็ห่วงมัน เลี้ยงอะไรก็ทำเลยโอ้ยอย่าลืมทำนะนี่เป็นอาสะวะธรรมแล้วเห็นไหมขนาดยังไม่ตายเนี่ยเรายังไม่ตายเรายังพอมีสติปัญญาอยู่เรายังออกจากมันไม่ได้เลยนับภาษาอะไรเมื่อสติเราอ่อนก่อนตายเนี่ยเราจะปลงไปลื้อวางได้หรือเราจะไปได้หรือสุคติอืมปฏิกังขันสจเตสังกิิตเถสุขติปฏิกังขันืม จิตเตสังกิติเถรทุกขติปฏิกลางขาถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายเนี่ยถ้าจิตเศร้าหมองนะจิเตสังคิติเถเศร้าหมองมันไปแน่ไปอบายแน่นอันนี้มันก็เศร้าหมองไม่เศร้าหมองดิเศรมองด้วยอาสวะธรรมเศ้ามองด้วยกิเลสเนี่ยก่อนตายอยากเห็นหน้าเขาสักครั้งหนูดิตัวประหาตายแถวอยู่ตามถ้ำตาหมยวนั่นแหะ ถึงจะดีหรืออย่าง น, น้อยๆเนี่ยฝึกไว้ซะเห็นเหมือนไม่เห็นไม่เห็นก็เหมือนเห็นฉันไม่ปรุงแต่งละเนี่ยอยากเห็นลูกเห็นหน้าลกูกเห็นหน้าแฟนเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาเรียก ว, ว่าผัวสามีเดี๋ยวนี้เขาเรียก ว, ว่าแฟนแต่ก่อนเป็นนางเดี๋ยวนี้ลดลงมาแล้วเป็นนางสาวมันเป็นนางสาวแล้วลดลงมาลดลงมาคนนี้เริ่มปิดบังความจริงไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับความเป็นจริงะสมมุติทางสังคมมันไม่เอา เป็นตัวกันตัวแต่ก่อนพ่อแม่เดี๋ยวนี้เรียกมาม่าปาป้ า, ปาเนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรเดี๋ยวมันจะเรียกบักเสี่ยวต่อไปเนี่ยพ่อมันนะวัฒนธรรมมันเริ่มเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงแบบนี้แหละแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นนีนนนน่มันจะเริ่มไม่มีมันเริ่มไม่มีความเคารพนอบนบ้อมความเลย พวกนี้ถือว่าเป็นการเป็นเครือข่ายถักทอสังคมให้มันอยู่ได้แบบสวยงามนะยิ่งเราไปบัญญัติอะไรขึ้นมาทมี่ไม่รู้เนื้อหาสาระของมันมากเข้ามากเข้าเนี่ยเด็กมันจะเริ่มมองแบบเป็นเพื่อนดีอ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยราบซึ้งนะแต่จะเรยไม่มีอพวกนี้วันกะตันยูวันอะไรแต่ที่จะเรไ ม, มาส่งเสริมการเคารพการคารวะ การเข้าใจการเข้าถึงธรรมทังในสนุกสนานเปิดเพลินกินเนี่ยงกินโอ้ไปไกลคุณส่งเสริมให้มันบ้ามากขึ้นไหมว่าโนต้าส่งเสริมเวลาไปบินธบาตวันกระทันยวนุวัน น, นน่นนี่เดินไปโยงเอาตังให้นุต้าก็ใส่ซองไปเดินไปคนไหนที่แก่ๆเวลาเข้ามาใส่บาทให้ตังเข้าไปเอาคนละห้ารอยคนละพัน ไ, ม, ไม่ใช่รวยนะ ะแต่อยากถนอมน้าใจเขาให้เขาอายุยืนทีนี้เขาไปทําอะไรตังเนี่ยเขาไม่เอาไปไหนหรอกเขากลัวบาปจะตายไปเอาเงินพระเนี่ยสิ่งที่เขาทำเขาเข้าไปซื้อกับข้าวมาใส่พระอีกวันพรุ่งนี้เนี่ยใส่บาตรให้พระพระก็เอาไปไหนล่ะเขาแปลสภาพจากเงินมาเป็นอาหารอาหารเราก็กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วเขาเปแปลเป็นศีลไปเดินจุกมดเนีมานั่งสร้างจังหวะเจริญสติ เป็นศีลเป็นสมาธิที่เป็นปัญญาลู้แจ้งกลับไปสอนเข้าคืนเนี่ยเขาเรียกว่าคืนกำไรให้กับสังคมบางคนบวมาจนเป็นสรงผานขี้เต็มฐานยังไม่รู้ธรรมะบางดีไม่ได้ช่วยสังคมอะไรเนี่ยปัญหามนะันแล้วเป็นนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองงั้นมันกระตันยูเนี่ยกระตันยูแบบโค้งวงจรกระตันยูคือมันกลับไปกลับมาแบบมีสาระหนึ่ง เกื้อกูลกันแบบมีสาระเราก็ตัอยูต่อโยมโยมก็ตัอยูต่อเราที่สุดท้ายคือทั้งสองคนเขาทำเพื่อทำทำเพื่อสัจจะนี่แต่ถ้าเรามองมันตืต้นๆมันเดียวตื้นนเนี่ยพระนี่ก็มีหนะ้าที่ผสมเกสรนี่กับจิตคนเหมือนแมลงผู้แมลงพึ่งนะบินไปที่ไหนที่ไหนก็ให้สังคมนั้นเจริญ ไปตัวนั้นคนก็รู้ธรรมะไปตัวนี้ก็คนรู้แจ้งคนเกิดปัญญาเข้าใจทั้นเขาจึงพยายามจ้างพระไปสอนไงถ้าเราพูดตรงๆคือจ้างพระไปสอนแต่ความจริงคือเวลาเอาเงินให้พระเขาไม่เรียกว่าจ้างเขาเรียกว่าบูชาเหมือนเราเข้ามาให้พระพุทธรูปนี่แหละเอาเข้าไปบูชาพระพุทธคือท่านจะกินก็ตามไม่กินก็ตามเราก็รู้อยู่ว่าท่านไม่กินเห็นไหมเอาสํำรับกับข้าวมาตั้งนี่ท่านกินไหมถ้าท่านลุกมากินก็ไปใครไปมันละแต่เราเรียกว่าบูชาไง บูชาคือเคารพนบนอบได้เงินหาบาทสิบาทไปให้พ่อไม่ให้แ ม, ม่แล้วไม่ใช่จ้างท่านนะแต่เป็นการบูชาคุณของท่านที่ท่านดูแลเรามายิ่งถ้าบูไปบูชาคุณองค์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเราลุ้ทตันที่พมันไม่ไปไหนมันก็จะวนเวียนอยู่เห็นไหมเขาเอาเงินไปทำบุญกับหลงตามหาบัวไปบูชาท่านท่านสร้างโรงพยาบาลสร้างที่อยู่ที่อาเซียนผู้ปฏิบัติทำอะไรกันเขาเรียกว่าบูชา เวลาวันพระวันศีลสิบห้าค่ำบุญสลา ก, กับพัดบุญเข้าจีวเอาสําหรับกอบข้าวลงไปวัดคุณระพีตัวิทุ น, นท่านจะกินให้ก็ตามไม่กินให้ก็ตามแต่ เ, เอาไปบูชาเขาเรียกบูชาคุณนบูชาคุณก็คืออย่าได้น้อยคือจิตใจเรามันสบายมันสะอาดสว่างสงบเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะนิยงว่าถึงเขาเป็นโลกเอทมาทําบุญที่วัดสมนั้นเนี่ยเ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มเสียงในโรงพยาบาล เขาก็มาเขาบอกว่าชีวิตเขาใกล้าตายแล้วอาชีพเขาทําอะไรล้องตาตามซื้อหวยวันหนึ่งนั่งเฝ้าแต่จอทีวีหวยหุ้นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเขาใกล้าตายแล้วเขาต้องสแสวงหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเขาตายแล้วเขาจะได้บุญได้กุศลไปหาทาบุญอาจารย์องไหนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเขาไปทําบุญบางว่าทําที่โน่นทำไปเก็บเห็ดเก็บหอนเก็บนนท์เก็บนี่มาพอมาปุ๊บขเขาก็จะไปตั้งไว้ที่โต๊ะแบบนี้แหละ แต่เขาไม่เหมือนใครเขาจะไปยืนเฝ้าออดูเวลาพระไปตักเนะี่ยเวลาเราตักเราไม่รู้ใครเป็นของใครอะไรอย่างกับเขาเนะียถ้าข้ามไปไม่ได้นะเขาตามเอาไปเทเศบาทให้นะเวลาหลวงตาไปตักนะเขาบอกว่าหลวงตารู้ว่าเขาเป็นโรคเอดแล้วไม่ยอมตักอาหารเขาไม่รู้หรอกหลวงตาไม่รู้ว่าอย่างนี้นะแล้วท<อ>ําไมไม่เอาเขาเป็นกระเทยนะรังเกียจหนูด้วยเลย อุตส่าห์ไปหามาเนี่ยออเมื่อแทบตายเลือดลมก็เดินไม่ดีออกจากป่าก็แทบไม่ได้เอามาในพ้าไม่กินให้นี่มนมาตักเดียวนี้โอ้เอา้าแล้วมันขูข่คดน้นเนี่ยเราบอกว่าครับครับครับครับไปตักไ็เดินไปตักางานให้เขาเนาะคือทำให้ใจเขาสบายไงเขาทุกข์ลงตาจะไม่กรุณาหนูหรือ้ผู้หญิงนะ ว่าทั้งที่รู้ว่าอายุหนูกําสั้นใกล้ตายแล้วมาทาบุญขนาดนี้ก็ไม่ตักให้ไปล้ลโยมอะไรมันวางบนโต๊ะแล้วก็ถือว่ารับแล้วละ่ะถือว่าบูชาแล้วเนี่ยรับไดหมดแล้วะบริโภคหมดถือว่าฉันแล้วหนูจะเขียนลงตาตักนะเขาถาเอ า, า, เอากูกลับไปอีกก็ได้คนมันนั่งเฝ้าดูที่นี่ในบาทนี่จะตักกินไหมนี่แค่นี้หนูก็พอใจแล้วเขาว่านะ ใจมันมันเป็นทุกข์ไงแล้วมันมองไปครั้งก็คืออยู่ที่ตายก็เพิ่งบุญกุศละพึ่งบุญกุศลมีความเชื่อว่าเอ้อทำมี้ทำมันเป็นโรคเอ็เป็นเนาเยอะเนาะทีเป็นตุ่มพูดมาตอนนี้เห็นเขารักษาดีขึ้นเนี่ยไปทำการทำงานเดี๋วีวโลกก็เริ่มรักษาได้แล้วละแต่โรคทางใจในี่รักษาไม่ได้ใจเนี่ย ถ้าไม่ฝึกจิตไม่ฝึกสติเนี่ยแทนที่เอาตอนนี้เริ่มดีขึ้นแทนที่จะมาปฏิบัติทำเพื่อดับทุกสิ่นอาสวะสะพมกันเกิดกันตายสะไม่พอสุขภาพดีขึ้นหน่อยเอไปทําอย่างเดิมอีกแล้วเนี่ยไปหารูปหารสหากินหาเสียงไรสาระนะเขาไม่อยากพ้นกันเกิดการเก่ ก, เกันเจ็บกันตายอยากเวียนว่ายอยู่ในสังาาาสารรดการมาสวะภ ว, วะสวะอวิชชา ไม่เวียนว่ายในภพในชาติในความคิดอดีตนะคตก็เวียนว่ายอยู่กับความไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้สึกตัววันวั น, ว น, นึ่งดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่รู้สึกตั ว, ไ ม, ตวไม่รู้ตัวอวิชชาสวะกกามสวะปวะสวะวิชาสวะเนี่ยดิจริงจริงชีวิตที่เกิดขึ้นมาอ้าวเริ่มฝึกสติสี่ลังความศีลให้ปรากฏสมะมักคังว่าพลังว่าสมาทิงว่าสมาปติงว่ามักขังว่าพลังว่าเมื่อไปบวชนะเขาจะพูดแดีนะ การบวชของเธอครั้งนี้เพื่อทําให้ศีลบริสุทธิ์เพื่อทําให้สมาธิปรากฏเกิดขึ้นสมาทิงวา่าสมาปัตติงวา่าทำฌานทำสมบัติให้ปรากฏเกิดขึ้นทำมักทำผลให้ปรากฏขึ้นนิพานัสสัจจิกิริยาะเนี่ยเพื่อทําพระนิพานให้แจ้งนะบวชครั้งนี้นะ่ะแล้วก็อามะพันเตอามะพันเตบวชมากแล้วก็คือเกา้า อย่าโยมก็เหมือนกันเวลารับศีลรับธรรมสี่เลนะสุกติเงียติสี่เลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพพุติเงียติตัตสมาสีลังมิโสทะยีจำไว้นาโยมนะเราก็สาธุคือเก่าทำคือเก่าทำเล่นๆหัวๆหยอกๆกันไปวันๆรับเสีลพราะเป็นพิธีเราอยู่ได้พิธีไงเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่วิธีนี้เรามาปฏิบัติธรรมมาทาวิธีออกจากทุกข์อ่ะเนี่ยมันคนอันกัน าศาสนาพุทธที่มันจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะการเห็นธรรมนี่แหละขนาดพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายยังไม่บรรลุท่านก็ไม่ประกระาศศาสนาท่านว่าพระพุทธศาสน า, าจะไม่เกิดเมื่อไหร่ที่ท่านบรรลุธรรมตัดสู้ปุ๊บท่านสั่งสอนเอาสิ่งที่ตัดรู้นั้นมาสอนคนนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเกิดตรงนั้นน่ะพุทธะเกิดแล้วแลหลายคนในเวลามันรู้แจง้งว่าฉันได้เกิดหม่แล้วเนี่ย อิทธะตถากโ ต, ะ ต, ะ ต, ะตะโลเคอุปโนโอสภาวะพุทธปรากฏเกิดขึ้นในจิตผมแล้วฉันเห็นแล้วเห็นแล้วฉันได้เกิดใหม่แล้วเนี่ยเราเกิดเกิดสองอย่างเกิดทางกายกับเกิดทางจิตเกิดทางกายเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเรียกว่าชาติแต่ถ้าเกิดทางจิตเนี่ยเขาเรียกว่าประสูติพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้เจ็ดเก้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ร่างกายประสูตินะแต่จิตสภาวะของการรู้แจ้งอันนั้นมันประสูติ มันปิ้งขึมารู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะเดินอยู่ใน7จ็สติสมาธิวิริยะปสติปีติปัสสติสมาธิอุเบกขางเดินกลับไปกลับมาเหมือนเดินโดงในเดียบวนนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ทะลุไปอีกมิติหนึ่งทะลุไปอีกทะลุรู้แจ้งรู้แจ้งมารู้แจ้ง3ามสครั้งมันเขาบอกนะทะลุแจ้งอริยสัจ4ี่ครั้งนี่เป็นพระรหันดีนี้อริยสัจเราก็ท่องนัยยุทธสมุทัยนิโรจมาแต่ไม่มีผลเนืเพราะมันไม่ใช่การรู้แจ้งไง ไม่ใช่รู้ด้วยความรู้สึกตัวทุบพร้อมอันนี้มันคนละอันกันทีนี้ถ้ามันรู้สึกตัวรูกพร้อมแล้วมันรู้เนี่ยมันถึงจะเป็นการรู้แจ้งถึงจะเป็นการดับทุกข์ได้คำสอนพู้ศาสนาถ้าไม่รู้ขอถือว่าเป็นคนบาปแต่ถ้ารู้เป็นคนบุญบุญบุญบุญบุญบุคือชื่อของความไม่ทุกข์จงเอาบุญนี้ไปล้างใจนะเหมือนเป็นหมูหมูพระโพธิสัตว์หมูตัวนี้ไม่นอนในเปลือกต้มหมูตัวเนี้ยนะ มันจะสอนลูกมันเสมอเบอกว่าลูกจ๋าจงพยายามนอนน้ําที่ไม่มีเปลือกตมไม่มีโคลนตมนะให้นอนน้ําใส่นะอย่าไปนอนน้ําขุ่นถ้าน้ําขุ่นมันจะแปดเพื่อนมันติดเรากลายเป็นดินหอกพอกหางหมูนะลูกนะมันสอนคือเป็นหมูโพธิสัตว์เนี่เขาบอกเหมือนคนเราเกิดมาเนะี่ยอย่าไปจมอยู่ในความคิดที่มันมีอาสวะนะอย่าไปจมอยู่ในกิเลสตัณหานะอย่าไปจมอยู่ในอารมณ์ ฝ่ายต่ํานะความรักความชังนะมันติดอารมณ์มันพอกอยู่ในใจแล้วเอาออกอยากนะต้องไปหานอนน้ําใสนะคือจะไปอยู่กับให้ไปอยู่กับจิตที่มันได้มีอารมณ์นะถ้ามีเสร็จผู้อาบแล้วไปนอนน้ําที่มีเปือตมขึ้นมาก็ต้องล้างออกซะคือจําเป็นต้องคิดแบบโลกโลกคิดนั่นคิดนี่ก็ต้องล้างใจตัวเองกลับมาปกติสว่างโลง่งโปร่งเหมือนเดิมเนี่ยเราเรียกว่าคนมีอาบน้ําพระนิพพานไปในตัว นิพพานนิพพานแต่เราคิดว่าอืมนิพพานังปรามังสุขังนิพพานะปัจโยโหตุอนาคเตกาเลคอยข้าพเจ้าจงได้บรรลุธรรมในอนาคตกา่างอนาคตก่างทำไมเอาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันเนี่ยขณะที่มีอยู่เนี่ยทาบุญดาทานก็เอาปัจจุบันเนี่ยข้าพเจ้าขอให้ถึงพระ น, นิพพานในปัจจุบันนี้ด้วยเถินเนี่ยอย่าไปเอาอนาคตอนาคตไม่ได้ช่วยอะไร ถ้าอนาคตนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งเนี่ยก็ยังเสียเวลาละแต่คนทั้งหลายต้องพงไม่เข้าใจพระนิพพานนึกว่าจะตายไปแล้วค่อยไปเอาเอาโยมก็เอาเตาตู้เย็นเอาพัดลมเอาอะไรมาอุทิศส่วนกุศลที่เรามาทําบุญวันนี้เอากับข้าวมาปุ๊บแล้วก็ผ่าคอตายไปรอรับบุญส่วนกุศลนั่นแหะส่วนบุญของตัวเองเนี่ยอนาคตการนะแต่เชื่อเถอะคนไม่ได้อยากตาย เพราะพระนิพพานมันไม่ได้แปลว่าตายไงแต่แปลว่ากิเลสตายไม่ใช่คนตายกิเลสมันตายอ่ะมันไม่เกิดอีกมันไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกในตัวเราเนี่ยทุกข์มันไม่เกิดอีกตั้งแต่รู้แจ้งวันนั้นแล้วไม่เกิดทุกข์เลยอย่างพระพุทธเจ้าจนเป็นอย่างละตถาคตขี่นาชาติอุสิตังกรณยังอัติตาตาญาติปัจานาติตถาคตจอมรู้ชัดว่า พรหมจันย์นี้อยู่จบแล้วนะขี่นาชาติบุสิตังสภาวะของการรู้แจ้งปรากฏขึ้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมามันไม่เกิดอีกแล้วตถาคตเป็นเกิดครั้งสุดท้ายชาติแปลว่าเกิดเดี๋ยวนี่ฮือหานะหนังสือพระเทรลรูปหนึ่งเขียนว่าชาติสุดท้ายคนก็ตื่นขึ้นอย่างอ่ะนะโอ้ท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่ใช่แบบนั้นคนละแบบอันนี้มันเป็น คำพูดธรรมชาติของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเนี่ยเขาจะใช้คำแบบนั้นแหละแต่โยมเนีตื่นนะอ้เป็นอย่างนั้นเลยความเป็นจริงก็คือคนถ้าปฏิบัติธรรมถ้าเข้าถึงสภาวะธรรมนี้แบบจำแจ้งแล้วเนี่ยมันไม่เกิดทุกข์ในใจอีกมันไม่เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะอีกแล้วชาตินี้ก็คือการทำครั้งนี้การรู้แจ้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบางคนรู้แจ้งสองครั้งสาครั้งสี่ครั้งหาครั้ง บางคนมากกว่าสิบครั้งโกลังเอกพีชีรู้แจ้งครั้งเดียวรู้แจ้งเลยดับทุกได้เลยบางคนสองสามครั้งรู้แจ้งเนี่ยโกลังโกละบางคนสัตตัคตุประมาะเกินเจ็ดครั้งอ่ะรู้แจ้งเนี่ยมันถึงจะเอาอยู่แจ้งครั้งที่หนึก็ไม่อยู่สองครั้งสามครั้งเหมือนตอกตะปูเนี่ยตอกหลายหลายครั้งเอาเอาเอพอกตีย่าหมดปังบางบา ง, ง, ง, ง, ง, งที่เป็นสิบครั้งถึงอยู่แต่บางคนกําลังแรงตีปุ๊บมิดเลยอะ่ะ จำเลยดอกตะปูเนี่ยขันนอ็อตเชื่อมหัวน็อตไว้อีกต่างหากดูดิบางคนไปสิบครั้งนะมันถึงเอาอยู่มันกิเลสเนี่ ย, ยถึงถาวรจึงเกิดยานอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการปฏิบัติรำละต่อไปไม่ปฏิบัติละเพราะมันเป็นธรรมชาติแล้วปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เท่าเดิมแหละที่เนี่ยจบการศึกษาการศึกษาทางธรรมีวันจบแต่การทางโลกไม่มีวันจบนะ มันไม่จบเป็นน่ั้นสภาวะธรรมพวกนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนคนไทยก็มีคนฝรั่งก็มีนับถือศาสนาพุทธก็ตามมุสลิมก็ตามอย่างเราตายอยู่ที่วัดเนี่ยไม่เคยคิดนะว่าจะได้อบลงพวกมุสลิมเนี่ยพวกมุสลิมนะเขามาปฏิบัติธรรมรู้ดิพวกศาสนาคริสต์เนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมโปรตัสเตนออรอกพเ้ไหมนะ เพราะเรื่องทุกทางใจเนี่ยมันไม่เข้ากับศาสนาใครมันอยู่ที่การฝึกหรือไม่ฝึกนั่นเองศาสนาพุทธก่อคิดศาสนาคิดยิ่งคิดเนี่ยมันไม่ปัจจุบันศาสนาพุทธเนี่ยรู้ตื่นบกบานแต่ศาสนาพุทธปัจจุบันไม่เป็นศาสนาพุทธอันนี้เป็นศาสนาพูดนั่นีองพูดศาสนาพูดเฉลือเกินนะมิจตพูดก็พูดนะไม่ใช่ศาสนารู้แจ้งะ ท่านทำยังไงเราจรึงจะรู้นะพระสงฆ์ของเจ้าเดี๋ยวนี้ก็าไปทำเรื่องอื่นทำรูปทำเหรียญทำนนท์ทำนี่ทำยังไงจะมาปลุกเสกคนให้มันเป็นพระเนี่ยพุทธาพิเศษก็คือทำคนให้เป็นพระอา้าววัตถุรูปเหรียญตะกุดมณเยนเพราะมันไม่มีหูเอามาปลุกเสกมันจะเข้าหรือขนาดโยมนี่ยหูใหญ่ยังอะไรดีเทศไปเนี่ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย ฟังแน่ตั้งใจแน่เวลาปฏิบัติธรรมน่ะนะก็ออยังคือเขาแต่ปลูกเศกพระพุทธ ร, รูปหลวงเหรียญนี่มันได้เลอบางคนมาขอพระขอเหรียญหลวงตาก็แจกนะไม่ใช่ไม่แจกบางอันก็เอารูปใหญ่ๆอย่าได้จตุคามรา ม, มาเทพเราก็มีลงตาเห็นเขามาลงตากขว่ารูปใส่คล้องให้เอาไปว่าของตีตีมุ้ยนี่นะ สวมคอไปนะนี่กันปืนได้มีดได้ว่ะเราแทงมานี่มันถูกมันก็ได้บางคนเต็มอยู่ในรถนะเมื่อวานเห็นเลยลงทับไปธุระไปทำธุระในเมืองเป็นเขาลงนะัสสุพิมโยมคนหนึ่งแขวนพระขี่ชอปเปอร์ทนะ่ะถูกแขวนพระพระในคอเขาเนะ่ะลามลงมาถึงเอวเหรียญนี่นะ หนักยี่สิบหกกิโลก ร, รมไม่ได้ถอดตอนนอนก็ใส่ตอนนั้นก็ใส่เพื่อรักษาโอ้ยมึงรักษาพระหรือพระรักษามึงเนี่ยวะยี่สิบกิโลยี่สิบหกกิโลดูดิเหรียญรุ่นนั่นรุ่นนี้จนถึงว่าต้องเอาผ้ามาพันคอก่อยแล้วค่อยสวมเพราะว่ามันนสายทองแดงสายอะไรนี่มันถูกเนี่นมันเจ็บนะจนข้อกิ้วบ้านเขาเอิญจนข้อกิว้วยันมาขืนไข้ขึ้นนะเขียวไปหมดนะ ฝรั่งเห็นก็ถ่ายรูป ก, กันจังนะถ่ายรูปด้วยชื่นชมในสมัยหนึ่งนะเรื่องเครื่องรางของกลังเนี่ยองก็เทียนท้านลงมาจากหลังแลรนะหลังแปร่ภูเขาที่แก้งครอนะทางลำปะเทาทางเขอนนะล้องท่านจะเดินกลับมาทางแก่งคอเห็นโยมผู้หนึ่งวิ่งสวนกลับมาปับป บ, บ, บ, บ, บับมา ตรงที่ตีนตกนะตรงน้ำจากนะน้ำจากเรียกน้ำตกนะเขาวิ่งใหญ่เลยถามโยมยมโย ม, โ ย, มโยมไปไหนนี่ยโยมทำ ไ, ไมวิ่งองผมลืมพระลืมพระสร้อยคอเขาพวงใหญ่เพราะเขาเป็นทหารไปรบเวียโ น, นา ม, มาพาที่ไหนผมลืมที่นั่นนะผมไปถ่ายอุจร ะ, ะมาบ้านเอาเออนว่าไปขี่ขี่นะ ขี่หูขี่ตาขี่ดังขี่โอ้ขี่สารพัดนะแต่ถ้าอยู่แถวปีหนังเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรขี่อะไรไม่รู้เนี่เราก็ถามมั่งว่าอันนี้ขี่ใครเนี่ยอยู่แถวนี้เนี่ยขี่ใครลนะเนี่ยขี่หัวมึงนั่นแหละมันไม่ขี่ใครใครพูดก็ขี่ใครขี่ตาขี่หูขี่ใครอันนี้ไปขี่ออกมาจากก้นน่ะเนี่ยไม่ได้ขี่ใครนะก็เลยวิ่งไปจะเพึ่งไปยมจะพึ่งไปโอ้ผมต้องต้องรีบ เอารีบไปทำไมถ้าคุณรีบมันก็อยู่ในนั่นแหละมันไม่วิ่งหนีหรอกคือเวลาจะาขี้เนี่ยมันต้องถอดออกนะเรอให้ต้นไม้ไว้กลัวมันจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นห่อพวกใหญ่เบิล์มอะไรนะคือมันติดไงวุ้ยพระนี่ผมรักมากนะผมไปพกเวียดนามมาเลรวุ้โอ้ตัวเวียดนามถ้านักก่็ไปนะี่นาะอันนี้เป็นของรักษาผมผมอ่นนะของรักษาเขา หลวงพ่อท่านก็ไม่รู้จะว่ายังไงท่านก็ปล่อยมาเนี่ยเดิเอาเดินไปด้วยกันนี่แหละเดินไปด้วยกันไม่ต้องรีบหน้าเนี่ยเดินมาจนเข้าตลาดแจ้งคอนะเดินออกมาแต่ก่อนไม่มีรถมีลา่ท่านก็เลยพูดว่าคุณคนคุณนี่เป็นทหารนะคุณไปลบเปียดนามาคุณไม่น้องมาแต่คุณไม่มีสติปัญญานะถ้าคุณมาเชื่อแบบนี้เนี่ยคุณแย่นะอย่างที่คุณวิ่งไปเอาพระเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ว่าไปทูลจะเป็นลมตายนะ ไม่บอกให้หยุดเนี่ยบ้านหลวงพ่อเรียกว่าสา ร, รบาทเป็นสา ร, รบาทตายถ้าหลวงพ่อบอกบว า, า, า, า, าให้คุณหยุดฝั่งเนี้ยค่อยๆไปคุณจะเป็นสา ร, รบาตตายเด้อคุณเสื้อนี่บริใจเทะเแต่ไปปกครองบ้านเมืองประเทศชาติมันสิลมสิจมเน่ยเสื้อฝั่งนี่ อันคุณเป็นลบเวียดนามมานั้นบมเมนย้อนมีพระขังพระศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณมีสติปัญญาคุณรู้จักเอาตัวรอดนี่นะอันนี้มันเป็นกำลังใจของคนโง่เห็นไหนว่าคนสลาดมันบ่มีแบบนี้นะถ้ามันขังศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยแต่นาะคุณเข้าใจบ า, าคุณรักษาพระหรือพระรักษาคุณนั่นไง ตนคุณลืมคุณไปนั่งขี้นะคุณแย่งห้อกมามันก็ต้องห้องคุณใส่คุณแมมถ้ามันมีสติปัญญามันมีความศักดิ์สิทธิ์น้องน้องอย่าปะพี่ไปแม้พี่กําลังรักษาน้องนะนี่อันนี้มันบได้ว่ารฉันนี่นี่คุณนั่นรักษามันบ่เม็นมันรักษาคุณหลวงพ่อเทียนท่านว่านะหลวงพ่อเบิ้งแล้วสถานการณ์อยู่ในตลาดมันคือสิบปีหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเเววหลวงพ่อว่าถ้าอยู่ในป่าเว้านสองคนยานมันสูนให้หลวงพ่อนี่นั่นว่า แต่มันก็ฝังเนี่ยหลวงพ่อว่ามันมั น, มนรักษาคุณนะน้องน้องอย่าปะพี่ไปแม่พี่กําลังรักษาน้องอยู่แน่เอาน้องเอาพี่ไปด้วยเด้อ น, นี่นะอันนี้คุณน่ะคิดถึงมันไป็นเพตลาดแลนกลับมาย่านคนเอาโอ้ตายเด้อถ้าคุณมีคนเสื้อไปนี่คุณไปเป็นรักษาบ้านเมืองแล้วคุณมีเมื่อมีสติปัญญานะ่ยเขาบอกว่ามีทหารสมัยรัชกาลที่หกเลว สงครามมง้งพรมันบุกเข้ามาม้งพวกมง้พกมงพวกแมวพวกนี้เป็นเชื้อสายมาทาั้งจีนนัพวกนี้ล่นเข้ามาล่นเข้ามาทางเชียงรายเชียงของมาตรง น, นี้บางทีเขาเรียกว่าห้อนะเป็นสงครามปราบห้อเขาก็กินคนเป็นลบนะลบมีแต่ดาบนมะ่แต่ก่อนในความสามารถจริงๆริงนะ ไม่ปัจจุบันในเดนนี่รอบกัด <c oughs> มีปืนมีผาหนะ้าไม้แต่ก่อนนี่ไม่ต้งฆ่าเปล่าพ่อพูดึงของขังแต่ก่อนเขาจะสักยันยนะสักยันสักต้องสนีิรู้จักก็ เ, เคยเห็นนะไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะพวกเนี้ย อ, อยู่ยงของพันนันนะ่นนี่เนี่ยนะรบลำฟันตูกันเข้าไปตะลุมบอนกันเหรที่นี่ฟันทั่วทักชั่วชะชั่วช ะ, ชวชะ ท่านส่งทหารขึ้นไปปราหฮอวันกันปรากฏว่าเขาให้พระเข้าไปอะสมเด็จรุ่นไหนก็ไม่รู้นะฟันมาส่้อยพระขาดเหรียญหล่น ล, ลงไปนะนกน็มือนี้ก็รับไว้มือนี่ก็งมหางมหาก็จับอยู่ข้างล่างยัดเข้าไปในปากเกดกำลังใจขึ้นมาทีนี่ฟันไปฟันมาเพราะว่าในปากมันเต้นฟันรุยแหละก็ข้มาเนานะ ตะลุ่มบอลปรากฏว่าชนะเนาะเสร็จปุ๊บก็ไหวปุ๊บปรากฏว่าพระก็เริ่มสงบลงะสงบพอมันอมนอนคลายออกมากลายเป็นหลวงพ่อเขียดอที่อมนั้นไม่เป็นใจพระที่งมขึ้นมานั้นเว่เขียดมันก็เลยเตะโยบบบบคนนึกว่าของสู้ของช่วยกูแล้วเพื่อนี่เนาะเกิดขึ้นใหญ่ฟันบบบบอมยกก็ทั้งว่าหลวงพ่อเขียดสงบมันไม่ได้หายใจยังไง นึกว่าชนะฆ่าศึกที่ไหนได้หลวงพ่อเขียดแท้ๆมาดูไว้หลวงพ่อกูยังอยู่ล่อนอยู่ในพื้นอยู่เลยเนี่ยที่อมนี่มันเป็นเขียดเนี่ยเป็นกําลังใจไงเป็นกําลังใจพระรูดนี้แขวนคอแล้วยิงไม่ออกฟันไม่เข้าหลวงพ่อให้เอาไปมหาวุทย์ยิงไม่ออกฟันไม่เข้า แขนคอไปบางคนมีลายแล้วเสื้อผ้าตาลายไทยลายนะกูระดับกูนะ่เวลาเขายิงกันวิ่งทะเลยทะลาเข้าไปเขาว่ายิงไม่ออกเวลาเขายิงนยายออกไปเราไม่เข้าใจไงว่ายิงไม่ออกฟันไม่เข้าเวลาเขาฟันกันตลบบอลอยากเข้าไปอย่าเข้าไป แขวนพระนี่แล้วไม่รู้เรื่องยังวิ่งเข้าไปตายออกมาเลือดอาเปื้อนสะเลือดนองมีแต่พวกมีของขังตรงนั้นหนหะที่วิ่งเข้าไปนั่นนะมันไม่เชื่อสติปัญญาตัวมันเองไงนะเวลาฟังหลวงพ่อพูดก็ยังไม่จบละไหว้รูปใส่หัวแล้วโ้ยซาถูกมันนึกไปแบบนั้นแต่พระเขพูดไปแบบนี้แต่มันนึกไปแบบนั้นนะมันก็ไม่ได้เลยเนาะนั่นต้องนึกให้ออกเข้าใจให้มันเป็นรู้ให้เรื่อง พระพูดนี่พูดแต่เรื่องกิเลสเท่านั้นแหละเรื่องแต่เรื่องธรรมะธรรมโมแต่ญาติโยมมันอยู่ด้วยความคิดมันไม่ได้มองว่าพะหุงเวสรางยันติปปตานวนาเนจารามรุกจิตญาณะมนุษย์ปยตจิตาในตังโกสระนังเขม่ยมในตังสรณมุตตมันในตังสรณมัคคมะสัพพุขฆาปรมุตจติเห็นไหมที่มาสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมทุกวันเอาคำวมาเอาพระไตรปิฎกมาอ่านทุกวันวันเนี่ย มีบทไหนที่บังป้องกันมีดป้องกันปืนเนี่ยมันไม่มีนะป้องกันผีนี่มีไหมมันไม่มีมีแต่เรื่องพูดกับกิเลสนะธรรมะแบบนั้นฝึกแบบนั้นแบบนี้จเจริญสติบทนั่นบทนีเน่เพื่อป้องกันทุกเพื่อไปนิพพานอย่างเดียวคำสอนพุทธศาสนาอันนี้นะจิปิเซกิจิปิเซกิเนี่ยทีมาสังคังกุอามาปัจจุพะสังวิทาปุกกยะปะ มันเป็นคำซ้ยอย่อของคำพีโอ้ม่านกัตตะสังมิทากูก็จพะจิมสังหังกุอันนี้ไหแต่เราไม่รู้เรารู้ว่าเป็นคาถาขลังขั้นก็มาบรรจุเป็นคาถาที่จริ ง, รงบทย่อของบทสวดมนต์เตชสุนีมาปูจนาวิเวปันนี้เราไม่เข้าใจถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากมันก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมัน่นนะมันเป็นอุปท า, าน แต่บทที่สวดสวดไปทุกบทปรากฏว่เรื่องสอนใจเราทั้งนั้นสวดบทไหนก็สอนใจแล้วเนาะบุคคลเป็นนันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็จะถือเอาภูเขาบ้างเอาต้นไม้บ้างต้นไม้ใหญ่ใหญ่นะ่ะมันจะได้รางวัล น, นะมีผ้าแดงพระดําดมีต้นมีสารเจ้ามีโมินเตมือหมดอารามบ้างลุคกะเจดีเนี่ยเอาต้นไม้เป็นที่พึ่งเป็นสารณะ เนตังโคสารณังเกมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณะมักมะสัปปทุกขาปรมุจตินั้นนั่นม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากพวกทั้งปวงได้มันก่อนไปทัดพนมนะเห็นโยมคนหนึ่งไปไหว้สามีภรรยาไปไหว้มนตาถามว่าโยมมาทำอะไรมาขอลูกหัตาย มาขอลูป ก, กับใครขอรูป ก, กับพระท่านพระนมหย้ยท่านจะไปผสมพันธ์ให้หรือไม่ได้มัง้งก้อนอิดนันไงโยมเขาเอก้อนอิดมาทํำนะพระพุทธเจ้ายิ่งไม่ส่งเสริมอยู่แล้วในข้างในมีพระพุทธมีอะไรเนี่ยมีกระดูกพระพุทธเจ้าเฮ้ยกระดูกพระพุทธเจ้ายิ่งท่นานยังไม่ส่งเสริมไม่คนมีลูกมีเท่าแล้วมันจะเป็นทุกข์สอนให้ปล่อยวางแล้วมาขอลูกกับพ่อแม่ให้ลูกเกิดลูกเกิดลูกเกิดแล้วมันจะมีเวลาหรือ เชื่อผิดละมัง่งเนี่ยความเข้าใจไม่ถูกแล้วมัง่งเอ้าเห็นหลายคนคนนั้นมาก็ได้ลูกนะคนนี้มาก็ได้ลูกโอ้ก่อนจะได้ลูกก็ฝันแบบนั้นแบบนี้เอา้าเป็นไปได้ไหมโ ย, ยมบ้ามาขอลูกกับพระธรรมนิมิตเกิดกําลังใจเกิดกําลังใจไปผสมพันธ์แบบสบายใจเนี่ยเอ้ามันไม่เคร่งไม่เขยับเนี่ยนะมันไม่โอ้ยไม่ทําะไรใดก็ได้บ่อะไรก็ซางท้อ จิตใจมันดีเนาะสาทูเด้อก็หน่อยจิตตั้งใจใลูกหากลูกแพงเกิดขึ้นในเด้อก็น่อยเดอ้อจิตใจดีนะยมอยากได้ลูกธรรมะธรรมโมไหมเจา่าตัวนะไปปลูกกับลวงตามไหมปฏิบัติทำเอาไปทั้งสองนี่แหละทั้งเมียทั้งผัวนี่แหละนะแล้วคงมานะผลิตลูกได้ดีอ่ะถ้าใจมันดีเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อไม่เหรอเพราะเราไปตรวจ ด, ดูแล้วอสุจิ ก, ก็ปกติร่องกขยเปกติเพียงแต่ว่ามันไม่ออกลูกเท่านั้นเองนะยมอยากได้ไปทำไม้ลงตาว่าไปขอเอาในโรงพยาบาลก็เยอะแยะไปนะว่ะมันไม่เหมือนลูกผลิตเองเลยมีไหคิดอยูน่นะโอ้ตายถ้ามันออกมาแล้วหัวมันใบเบี้ยวเลยจะทำยังไงอนะประสาทมันไม่ดีเป็นลูกเอ๋อเหรอเนี่ลูกออทิสติกเนี่ยชอบเหรอรับได้ไหม ไม่มันคงจะไม่เป็นละมั้งคิดได้ยังไงว่ามันไมเป็นเกิดมันเป็นเลยจะทําไงถ้าออกมามันไม่บูดไม่เบี้ยวเลยโตไปในอนาคตมันเป็นนักเลงแหละมันติดยาแหละเป็นผู้หญิงเขาหามเข้าป่าไปได้ทําไงเนี่ยพ่อแม่จะไม่ทุกข์พาะมันเรื่องไมถึงตอนนั้นคงแก้เอาน่ะเห่นไหมมันไม่ถอยนะพูดยังไงมันก็ไม่ถอยนะมีความคิดไว้ว่าจะเอามันไปบวชเนี่ยโตตั้งโอ้ยไม่คิดละเอาไปบวชที่บวชแบบไหมเนี่ย มีจะจะได้ลกูกจะส่งเสียตอนแก่จะมีใครดูแลไหมเนี่ยโอ้ยยมคิดเลยว่ายมจะอยู่จนแก่เนี่ยห้าสนะิบสิบนั้นตายก่อนแก่ก็ได้นะเนี่ยโอ้จะไงนานนะโอ้หลวงพ่ออยู่วัดไหนนี่เขาทำบวชนานหรือยังเขาถาย้างวะเ <c oughs> พิ่งนึกได้ก็เพิ่งวิ่งมาบวชนี่แหละ <c oughs> ชีวิตนะมันไม่มีอะไรบวชแล้วเป็นยังไง หลวงพ่อบวชแล้วเป็นยังไงเขาถามว้ยมีความสุขเนี่ยสุขแบบไหนเมืาหลวงพ่อเจ็บใครได้ป่วยใครดูแลพระธรรมบอกพระธรรมพระธรรมมันก็ไม่รู้นะมีกี่องค์พระธรรมในวัดนะน่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่พระลูกวัดนะพธรรมนะวาเ <Okay. S 1> ขาเล่าให้เขาฟังเล่าไปเรามาโอ้เม่แล้วหลวงพ่อปล่อยว่างใดแล้วแม่ซุ่มป่วยโอ้มึงคือพว อ, อยากปล่อยว่างสินวะ เพราะปล่อยวางดิถ้าหลวงพ่อรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อวิ่งมาบวชตั้งแต่คลอดตุลนวะว่ะมันมีความสุขไงบวชเนี่ยพ่อแม่คลอดพลอดปูวิ่งมาบวชเลยมนะพอเอาปานนั่นดิเ อ, อ้อว่าเอาปานนี้แหละมันจะมีความสุขบ่าวได้ตอนเถาหรือจังแลนมาบวชคุณหลวงปู่สั่งเลว่ า, า, อ, าอันนี้เพิ่นมาลู่ตอนเถ า, าได้นีม้อนพระสงฆ์ขนาไปทั้งโยมเอากับรับพ่อสมพวนแล้กกับหนาไปเท่านั้น เนี่ยคนที่มาบวชได้ไม่ธรรมดาเนี่ยคุบ้างหาเนี่ยคนอัศจรรย์ได้มาบวชได้เนี่ยคุบ้าเหาะเนี่ยรถท่านเนี่ยท่านจะปอกเปลือกของมดเหลือแต่แกนมันท่านเป็นช่างซ่อมรถ ด, ด้วยได้เรียนปวชปวชแปลว่าอะไรนะไปช่วยวัดนะไปเรียนหนังสือ เอสซีเทคนิคเนี่ยมาขอของดีกับลงตาเนี่ยลงตาว่าเธอจะไปไหนไปเรียนหนังสือด้านนี้ก็พกมีดด้านนี้ก็พกปืนด้านนี้ก็พกสปราร์ต้าเอ้านึกว่าจะออกลบป่ะนึกว่ามันจะเป็นลบดูดิโอ้ยงตาเรียนหนังสือก็ะเทบไม่รอดต้องพุ่งคือไปเรียนเสาที่ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไปถนอนอ้อมกันนี้เผื่อจะเข้าโรงเรียนได้แต่ตอนมานต้องไลัดเลาะทางนัน้ตนตรงนี้เผื่อจะกลับบ้านถึง บ, บ้าน โอ้ยหลวงตาว่ามันเรียนยาก่อนนั้นก็มาบวชสะเาะไหมมันยากนะแล้วเบิดก็มีต้องไปด้วยเพื่อจะได้ปวช ม, มาเนี่ยเกือบไปตายอ่ะสูสีกับอุเทนถวายเนี่ยองหนึ่งก็มาจากอุเทนถวายองสีสุพรรณเขาจะสอนวิธีพกสัพ ป, ปะาใส่จักรเล่ในพกยังไงมีดใส่ดาบหัวเข็มขัดในถอดอะไรถึงไวอนั้นอันนี้ยี่ห้อเโอ้ตายเข้ามา ร้องไห้ขอร้องแม่แม่อยาให้ผมไปเถอะอะไรประมาณนั้นแม่อยาได้ลูกไหมถ้าอยากได้ลูกอยู่ด้วยนี่ขอให้ผมลาออกจากโรงเรียนเถอะอะไรประมาณนั้นผมจะได้มาอยู่กับแม่ถ้าผมไปเรียนต่อมีสิทธิ์ตายเห็นมเอา้ามีสิทธิ์ตายได้ยังไงก็มาล่ะเอา้ามาขี่รถก็ไม่ให้เขาเห็นนะครูบางหอเวลาขับมอเตอร์ไซค์จะเห็นไหมแกจะเอาตีนไปด้านหลังเหยียดไปทําเหมือนซูปเปอร์แมนนะ ขยีดคอหรือแต่คอไม่มีไม่มีที่จะเอาตีน ล, ลงไปเหยียบเบรกเหยีบยบอะไรมันไม่มีเหยียบไปทางโน้นเนะ่ะัง่ๆแล้วก็ถอดไส้มาออกแล้วก็ดังอย่างนะเขาว่ามาบวชในแผ่นดินสูงกันเยอะเขา ว, ว่านะหลวงตาไม่ได้ว่านะแต่ถ้ากระสนเป็นคนที่สัญญาหลวงตาครับผมมาบวชเป็นเล น, นอยู่ด้วยผมศึกไปแล้วยี่สิบห้าปีผมจะมามบวชอยู่กับหลวงตายี่สห้าปีท่านมาดีเลย ฮยี่สิบห้าปีเนี่ยมาบวชทันที่มาบวชแล้วก็ข ย, ยันาพระในวัดกหลาบท่านหลวงปู่สังงส่งเพป็นก้นเบาเนาะหลวงปู่สั่งเนาะฮะหลวงปู่สั่งว่าคูบาเหอในก้นเบาก้นเบาคือใช้อะไรนิดหน่อยท่านไปหมดเนาะองตาถามแม่ครับเอา้าคูบางเหะไปไหนยังบังเหต์เดินลงตาอืมเอ้า เขามันอยู่วัดทำไมมันดีจังดีแต่อยู่น้ำหลวงตานะะี่ยล่ะวันวะอยู่น้ากวาน้อยบ่ดีดอกกว่น้อยอยู่นําแม่มันบด่ดีแต่อยู่กับหลวงตาเนะี่ยดีปั๊ อ, อันบ่ดีเอาไมา้ในเลี้ยงเอาก็ดีเบ๊ดเอาโยมก็สอนเหมือนหลวงตาสอนดีโนะสอนไม่ได้ดอกเอาให้หลวงตาซะวันนั้นอยู่ข้างนอกไม่ได้จกน้อยมาเสียเงินแล้วขายเขาไปเส็ โอ้ตีคนเหรอฮะเอาเงินไปใส่โขปตีเขาแล้วงวหนึ่งมาหาหลวงตาเอาไปทําอะไรมาเนี่ยพิ่ป่นปืนมาป่นไปป่นปืนเขามาหลวงตาโอ้มันเนื่องจากมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น่ะหลวงตามันจะเอาผมก่อนผมป่นมันเนี่ยเอาปืนมันมาก่อนนี่หลวงตาว่าผมทามถูกไหมถูกต้อง เ๋อมันกาลังมีอารมณ์นจะไม่ถูกยังไงนะมันจะพ้นเราแทนนะดิถูกต้องถูกท้องทำเหมาะสมแล้วเอามาเลยเอามาเลยวะฉีกผ้าชีวอนให้นิดหนึ่งเอาเพราะมัดคอไปอีกวะของขังเขียนตัวยันยงยงยงๆให้ถ้าเขียนว่าสติมีสติรู้สึกตัวเนี่ยเขาก็ไม่เอาลุงตาอันอยากได้ตัวงอนง่อนะนะนะงอะงแบบไหนวะแบบ คือตัวยันเนี่ยแล้วอันนี้มันอ่านได้มันกับบ่ขังเนาะมัเหมือนเจิมรถให้เขาน่ะต้องงอแบบอ่านไม่ได้เหมือนขี้กระเดือนดิ้นตายในน้ำแบบไั้ได้ขันเปินอ่านอะไรคือคือเนี่ยเป็นซาตุขันอ่านได้โยมมันเบาสัมแต่คนเป็นยันตมนุษย์เท่านี่ก็เลยต้องเขียนหแบบอ่านอะไรเอาเขียนอ่านอะไรเอาไปเนี่ยเวลาลงตาเจิมรถที่แต่ละคนหลงตากระบอกในี่ยจไว้นาโยมเนี่ยมาดูมาดูเนี่ยเจิมไม่เนี่ยชื่อไวด์เดองวดนะมึงเฮ็ดเอา ให้ทำเอาเองเขียนแบบนี้แหละเนี่ยนะอีเีลูกตะทีนะที่เป็นนักฟุตบอลทีมจังหวัดนะผู้หญิงนะพ่อมันซื้อรถมามันได้ยิน่งของสมัยมันมันก็ไปทำเอาเองไปหาซื้อเทียนมาแล้วก็หยดใส่ขันน้ำมนแล้วก็จะไปรถรถยนต์ให้พ่อรถมอเตอร์ไซค์ะพ่อเุยมันจีคัังตี5มึงผนอ อาโรคตาไหวเฮ็ดเอาอิงไหมพเนี้ยมันก็ไปทำเอาองเอาน้ําหยดใส่ขันเอาเทียนหยดใส่แล้ก็จะเป็นรดเอาเนาะมันก็เฉลาดแม่มันมาเล่าให้ฟังอืสอนให้ครั้งเดียวมันก็เป็นเนาะมันมาดูมันเห็นแล้วมันก็ก๊อปปี้ไปเลยพระพจนมนทําแบบนี้เนาะมันก็ทําไปมัดยาค่ามากกว่าสิจุดจดจุดจุดแต่มันไม่ขังเขาบอกรคตาก็ไม่ได้ขันอะไอย่างงี้ย จะอยากให้มีอยากให้เกิดสติเกิดปัญญาไม่ใช่จะมาจมกับเรื่องงมงายพวกนี้ยนะจิตเราเนี่ยต้องเข้มแข็งต้องเด็ดขาดกับกิเลสนะพุทธเจ้าเนี่สอนเรื่องจิตเรื่องใจของเราก็ไปมองไปเรื่องร่างกายเรื่องสังขารสร้ายมันจะมีอะไรดีขึ้นชีวิตเนี่ยอายุเยอะแล้วแต่ละคนเนี่ยนะใกล้ตายแล้วความตายไหลเข้าไหลเข้าเลยเข้าอนุข้มตายหนีเขียนข้อตุกบาทย่าง ตื่นมือเศร้าเห็นหนาจังหวะยั่งบัรมาเรื่อยๆแต่คนไม่สะท้อนไม่นึกไม่คิดนะเนี่ยเห็นไม่ทําบุญทำทานแล้วก็มีแต่งอมเมาประชาชนทําบุญนั่นบุญนี่บุญธาตุบุญเถิดก็ว่าไปตามเดิมแต่เอ้ามอมเมาแต่คนนะมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อการดับทุกข์ดับกิเลสเมืองสกลนครเป็นเมืองบุญนะแทนที่จะขนขวายลองดูดิ แทนที่จะทําอย่างอื่นทําพุทธมนตร์ทนเอาคนไปเทศไปทําไปแสดงทําไปปฏิบัติไปศึกษาอ้าวันพระหนึ่งสีหนึ่งปฏิบัติทำปฏิบัติทำปฏิบัติท ำ, ตท ำ, ตทำนตทาว่าอย่าโยมต่างจังหวัดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วสกลนครเมืองพระนนท์ก็ไปอยู่ทางเหนือเขาว่าพระมาจากไหนมาจากสกลโอ้ยเขาทําบุญทำทานดีจังอเครดิตดีครูบาอาจารย์ทำไว้ดี ถ้าเราทํำซะที่หนึ่งที่ใดเนี่ยคนมาปฏิบัติธรรมประจําเดือนประจำปีคนเขาแห่มาปฏิบัติธรรมยิ่งจะดนะีดีกว่าพุทธมนตรนกรุงเทพไประจำไปกรุงเทพไม่มีอะไรมิตรไปแห่เวียนเทียนวันเสาร์วั น, ว, นวันพระวันไหนถามว่าเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดประโยชน์ทาแต่พิธีกรรมสร้างจิตมาเนี่ยนิสัยล้มพธิเทียนนี่ก็ไปเช่าที่พุทธมนตร์ทุนทำรายการเปิดประตูใจสอนคนปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกจิตเนี่ยแต่นี่มันไม่มีนี่เนี่ย มันไม่มีเนี่ยมันมีแต่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีนนมี์ี่ถ้าทำไม่เอาเพราะนั้นก็มาปฏิบัติโดยเฉพาะส่วนราชการเนี่ยอยากให้ปฏิบัติทำบ้านเมืองนี้จะดีไม่ใช่อยู่ที่เด็กนะอยู่ที่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ทําดีเด็กมันก็ดีผู้ใหญ่ไปพิสูจน์ดูว่าจริงไม่จริงทําได้หรือไม่ทําได้เขาจะมองออก่ไงโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเขาไปศึกษาเขาไปเรียนรู้เขาเข้าใจว่าเอออันนี้ทางลวดออมชีวิตนะแต่ถามว่ายากมหมยากถ้าไม่ยากคนก็เป็นอรหันต์กันหมดบ้านหม ด, หม ด, หมดเมืองแล้ว มันยากนี่ยากเพราะอะไรยากเพราะฝืนตัวเองไงมันไม่ใช่ยากที่หลักสูตรมันยากที่กิเลสเรามันเยอะอย่างเราเคยนอนกลางวันมายังเคยขี้เกียจมาเคยคิดเรื่องนั้นเลยมานี่จะเอาอันนั้นออกเนี่ยมันยากยากตรงที่เราจะเอาของเราออกนี่แหละเอากิเลสเอาตัณหาเอานิจจิรินิสัยสันดานเดิมเราออกเนี่ยมันยากตรงนั้นไม่ใช่ยากตรงที่ธรรมะพระพุทธเจ้านะธรรมะพระพุทธเจ้ามันง่ายมากแค่รู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นมเป็นการรู้แจ้งได้โดยไม่ยากนะแต่ที่มันยากเพราะกิเลส หนาปัญญาหยาบของเรานั่นแหละแต่ ถ, ถ้าไม่ฝึกไม่ฝืนเลยมันก็ยิ่งหลงไปเรื่อยยิ่งจะออกไม่ได้ต้องรีบปฏิบัติธรรมเอามีคนรู้ทำมากๆเดี๋ยวต่างประเทศเขาก็เข้ามาปฏิบัติธรรมเอาไปมาเป็นสินค้าออกนะพระเนี่ยฝึกสติเยอะๆคนรู้แจ้งวัดสร้างวัดเดี๋ยวนี่วัดล้างไปหมดแล้ววัดนั่นก็ล้างวัดนี้ก็ล้างวัดนั้นก็ไม่มีพระนี้มีแต่คนจะสวดคนตายเนี่ยก็ยังหายยากอะไรประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องแก่นเนี่ยพุทธศาสนาอยู่แค่ระดับประเพณีเนี่ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่อยากเข้าคนเขาไม่อยากเข้าคนมีการศึกษาเนี่ยเขาไม่ไปวัดไปวานะี่ยเพราะอะไรสิ่งที่พระรู้นะี่ยเขาก็รู้สิ่งที่พระเห็นเนีเขาก็เห็นสิ่งที่พระอ่านได้เขาก็อ่านได้แต่ถ้าเรื่องปฏิบัติทําเรื่องจิตเนี่ยเขาไม่รู้อันเนี้ยดังนั้นเขาก็ไปหาวัดที่มันมีประโยชน์เกื้อกูลต่อจิตเขา ต่อสมาธิต่อปัญญาต่อการรู้ของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาไม่รู้เขาอยากรู้อันนั้นพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่คนไม่รู้เป็นสิ่งมหศจรรย์ของโลกอันเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่สืบต่ อ, อนั่นเองพระมันมีความสะดวกสบา ย, ยางไงอยู่ยังไงก็ได้กินนอนอยังไงก็นแหละเขก็ศรัทธาอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นก็เลยไม่ใส่ใจเลยกินเรียกว่ากินบุญเก่ากินบุญเก่ากินบุญเก่ากินบุญเก่านางอะไรนางพิสาขานางอะไร อยู่บ้านของตัวเองนะสมัยพุทธกาลทําบุญทาทานดีจังพ่อเขาเป็นสัมมาทิฏฐิพาลูกทําบุญตักบาตรทุกวนันวันละนิดวันละหน่อยทําทุกวนันทุกวนันทีนี้แต่งงานแล้วไปอยู่บ้านผัวบ้านผัวนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ชอบทําบุญเห็นลูกสบายจะเอาเข้าวไปทําบุญเขาเด็กขาดอยุดนะเปลืองนะั่ะสิ้นเปลืองเอาไปให้มันทำไมนะมันไม่หาอยู่หากินพวกหัวโลนเนี่ย อย่าไปทำบุญทำทานไม่ต้องเอาไว้จ้างคนงานเลี้ยงคนอันนี้ดีกว่าได้ประโยชน์ฉั้นเวลาพระมาเขาจะนึกนดีนางนี่จะมองว่านี่พ่อพ่อฉันมาแล้วคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเขาเพราะเขาเกิดปัญญาบรรลุโสดาบันเนี่ยเพราะคนนี้เป็นคนคลอดใี้เขาเขาเรียกเป็นลูกลูกศิษย์คลอดเพราะพ่ อ, พอมาเขาก็จะมายืนอยู่ตรงปากทางจะเข้าบ้าน พ่อนี่มนเดินไปข้างหน้าเธอเอยบ้านนี้เขากินของเก่าบางวันกน็พ่อบ้านนี้ท่านสิรษฐีแต่ไม่ทําทบุญทาทานหลวงมาอยู่กับเขาเนี่ยกินของเก่าเขากลับไปบ้านไปคุยกับพ่อเขาพ่อฉันไม่ทําบุญทาทานไม่มีเงินมีทองทําบุญทาทานให้หลวงพ่อที่มาบินธบาะเนี่ย ฉันคงอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉันเกิดก็เกิดเพราะพ่อนะเขาไปเอาเงินหมื่นกะหาปณะจากพ่อเดิมมาไว้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินของพ่อตาแม่ยายนี่นะไม่ทําบุญโดยเฉพาะเลยเพราะบางวันพ่อไปบินธบาติพ่อก็ไม่ได้ข้าวได้น้ําเพราะอินเดียในคนขอทานมันเยอะนะก็มาทําทุกวตาจนหมดหมดแล้วก็ไม่รู้จะทําไงก็มาพูดอีกคําเดิมนี่แหละพ่อกราบนิมนพ่อเดินไปข้างหน้าเถอะบ้านนี้เขากินของเก่า ทีนี่เสรษฐีนี่มันมาเอ๊ะทำไมไม่เห็นมามานั่งอยู่ทุกวันแล้วก็พูดกับผอยังงงงงับอยู่อะไรนะพามาบินจักรวาลเพูดคําเนี้ยก็เลยมาแอบฟังนะให้คนใช้มาฟังปรากฏว่าได้ยินได้ยินคําเนี้พ่อเดินไปข้างหน้าเถอะเขาไม่ทําบุญทำทานแล้วเขากินของเก่าเต้มาฟังเองให้คนใช้มาฟังแล้วมาฟังเองก็ได้ยินคําเหมือนเดิมเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีเลยที่นี่ฟ้องไล่ลูกสะพายหนี หาว่าพ่อตาเนะี่กินขี้กินของเก่านะมันบออยากกินบนุญกินทานดอกมันกินแต่ของเก่ากินแต่ขี้กินแต่อะไรนี่นะมาไม่ใช่คุณปอคําคว่าของเก่าเนะี่ยคือท่านทําบุญทาทานมาเท่าไหร่ที่ท่านได้เป็นเศรษฐีอยู่ปัจจุบันเนี้ยในอดีตของท่านท่านมีแค่นั้นแล้วมันกําลังจะหมดไปไม่หมดไปเนี่ยท่านไม่ทําบุญทาทานอเอาซะเลยถ้ามันหมดแล้วท่านจะทํำยังไงย่เี ท่านไม่อยากกินของใหม่เลยแต่ไม่อยากสมสะสมของใหม่เลยท่านคิดว่าชีวิตี่มันเกิดทั้งเดียวนี่เหรอ ม, มีอยู่เท่านี้แล้วไม่อยากบุญกุศลมาหนุนตัวเองเลยอะไรปาณนันแน่ก็เลกเกิดคือเอาพ่อเอาแม่เอาพ่อลาบแม่ลาบ ม, มาพูดจึงเข้าใจกันนะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะคนเราส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะนี่โลวตาไปวินทาบาทยา่สงเนี่ยยา่สงรู้จักยา่สงนะยายสงในทําบุญทําทานทุวัน มีลูกสิบเอ็ดคนนะสิบห้าคนบังเลือไรเลือ1สิบเอ็ดนีมีสิบเ็ดเลือดอะไรตาไมรูแล้วทําทบนบอกว่าโป่ตงตาไวๆน้ำมัดสการย่าวกนไปบินบาทนะอายุแปดสิบกว่าแล้วตกบันไดก็มีลงมาใส่บาทตกบันไดเจ็บหนุนตาก็ให้ร้อยให้พันให้อะไรไปสาเรื่องเลยแต่เขาทาบุญ ตลอดเวลาเ้าโอ้ยลงตาคงมาใส่บาทไม่ได้แล้วไปบันไดได้ไหมวันนะ่ะอยู่กับลูกชายคนเดียวนะมีอะไรก็นึกถึงแต่พระนึกถึงแต่พระซื้อกับข้าวซื้อนน่นซื้อนี่นะนะทั้งที่ได้เงินกเกษียณของผัวพันห้าร้อยบาทต่อเดือนเองนะแต่ถือว่าเขารวยที่สุดในหมู่บ้านนี่รวยยังไงลงตาจะไม่เห็นวันไหนที่เขาไม่ทำบุญนอกจากวันที่เขาไปหาหมอล ง, ลงพยาบาล เขาจนในภาพของคนอื่นแต่ในทัศนะของพระก็คือเขารวยเขามีกับข้าวต้มเขียดบักแออจักระจันพวกเนี้ยผักวานลงตานี่น่าพักวานนะเนี่ยนะก็ใส่พักวานให้เวย น, นี่ต้มมะเขือนะลงตานีเป็นไงสุขภาพโอ้โยไม่คิดอะไรแล้วตายก็ตายบุญนี่ทาไว้เยอะแหละ ทำโทษวันหมดสบายโยไม่กลัวตายละลงต้เดี๋ยวนี่ตายก็ตายตกบันไดลงมาก็ น, นึกถึงแต่บุญนี่บอกเห็นไหมพึ่งบุญพึ่งกุศลน่ใจเขามันสบายไงอืมเจ๊ ก, กิมหรืออะไรที่ที่เจ้าของตื่นเช้ามาเนี่ยคนใช้จะเอากระมังใหญ่บละลมมากลากมาข้าหุงข้าวเต็มเลยแกไม่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่แต่มานั่งเก้าอี้นีใส่บาตรทุกวัน พระที่หนองคายมันเยอะเนาะเขาเรนะียนหนังสือนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านแกเป็นร้อยแกก็นั่งใส่ดอกไม้ก็ใส่ทําทุกวันทุก ว, วันยายไอ้นี่ท่านพระก็จะรู้รู้เรื่อ ง, ของเขาดีเดินผ่านหน้าบ้านเขาทุก ว, ว, วันทุกวันรู้จักว่าไปบินบาตร ท, ที่ถ้าหน้ากุศลหน้าอะไรเขาจะใส่อาหารใส่กับข้าวใส่เลยเขามีเข็นพยุงแกมันแกนั่งใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตร พูดถึงเรื่องนี้ลงุงตาเกืเสียดายหน่อ ย, อยนะลองุงตาเก็ไปไปหาเขาสมัยโน้นนะไปกับมหาไขายเจ้ า, าจังหวัดแกวัดโพชัยวัดกรุงพ่อปัสัยนะไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วก็คุยันเดือง น, น, องนี้สมัยนะั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะต่มาเป็นคือไปดูงานนะ่ะในวิทยาสงฆ์เพราะว่าเป็นเป็นลองประธานนิสิตฝ่ายวิชาการเขามาวิทยาเขาถวายตังใส่ถุงกระดาษให้ เลยทงตามไม่รู้นะวเน่เป็นตังเงนเงินถุงกระดาษถุงสวัสดีนี่นะอเ อ, อยะนะเยอะมากแล้วขึ้นรถทัวจากขอนแก่นจากจากหนองคายไปขอนแก่นน้องตาลืมเอาไม่ได้หยิบเอาแต่เปิดดูนี่เห็นจะแบงอยู่จะนวดอยู่ข้างหน้ามันคือก็วางไว้ที่พื้นเนาะแล้วก็นั่งรถทัวแต่เวลาลงก็ลงเลยมันคงรวยไปในระถทัวคันนั้นนะ เกือบเต็มถุงอะเขาให้พอดีคุ้นกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเพราะท่านย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านประนมตอนนั้นแต่ท่านจะดีมากคือท่านจะพูดเรื่องปรัชญาเรื่องอะไรต่างเนี่ยเราไปสนทนาธรรมไปแต่ก็คุ้นกันแล้วท่านก็นให้ขึ้นไปเยี่ยมเขาไปนั่นชีวิตน ะ, นะแต่เี็กเขาโอ๊ยลืมมาเตียยมอยหลงตา ถุงนั้นมีเจตตั้งอย่างเดียวนั่นน่ะแต่ก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ก็สมัยโบราณแต่ก่อนก็ไม่ได้ถามไม่ได้โทรไม่ได้อะไรเราคีเฮ้ยปล่อยวางปล่อยวางว่ะปล่อยวางไม่ตไปสนใจทิ้งกระทิ้งไปบคนก็ตามแั่ตอนนี้เรตามไหมเอาใจไว้ก่อนเถอะปกติไว้ก่อนเถอะใจสบายนะไม่มีอะไรอะ่ะ ฉั้นชีวิตเราถ้าอยู่กับอดีตอนาคตก็เป็นทุกข์นะอยู่กับปัจจุบันวันหนึ่งอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆไปอยู่ในสังคมก็นั่งพลิกมือเนี่ยหรือรู้สึกเนี้ยบางคนเขานั่งทํำเนี้ยแต่บางคนเขานั่งดูลมหายใจคุยกันไปแต่บางคนเขาก็ทําแบบนี้ใจมันอยู่ที่นี่เนี่ยแทนที่จะไปพูดมากแทนที่จะไหลไปตามความคิดที่อยู่ในเนี่ยรู้สึกบน เขาไม่รู้นะว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ยุ่นะทํากรรมฐานเนี่ยเนี่ยทํากรรมฐานมีสติอยู่กับฐานเนี่ยแต่ที่จะไหลไปทางไม่ดูด้วยรู้ึบางคนว่า อ, อันนี้มันไปใช้ในชีวิตประจำวไม่ใช่ใช้ชีวิตจำวันอ น, นอันนี้เรามาฝึกดีเนี้เหมือนเรามาฝึกเป็นนักมวยนี่ฝึกเป็นปุ๊บเนี่ยไปเนี่ยเราจะซ้อมไปทางอากาศไปเรื่อยๆหรือไม่ใช่มันเป็นแล้วทักษะมันเยี่ยมยุดธแล้วไปพอมันมาได้หลังไปเองแนละ้วศอกหลังเนี่ยนะ ตีนมันออกไปเองนะมันฟาดไปเนี่ยมันไปของมันเองแต่ตอนนี้มาฝึกหนึ่งฝึกให้มันเป็นได้สติจะเอาสตินไปใช้นะบางคนโ่า้ยกลับไปบ้านมันจะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่เอานี่ไปใช้เอาสติไปใช้แต่มาฝึกสติอ่นเนี้ยพอเป็นแล้วมันจะเป็นไปเองนะเหมือนเราฝึกอะไร่ฝึกว่ายน้ําเนี่ยแล้วก็เป็นแล้วแต่พอตกน้ํามันจะเป็นแต่ดีเหมือนกันฝึกสติอันนี้เวลามันตกลงไปในอารมณ์ราคะโทสะโมหะ มูนี้ดมันจะเป็นของมันเองสติมันจะทิ้งของมันเองความคิดความปรุงแต่งเนี่ยแต่ต้องฝึกสติให้มันเข้มแ ข, ข็งแล้วมันจะลาวางเองเป็นแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยไม่วางไปเจริญยิ่งติดอารมณ์เยอะมึงใ น, นนั้นอย่างนี้ น, นี่นนอะไรว่ะเนี่ยจริงๆความคิดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับแต่เราก็จะเอาเป็นเอาตายผิดข้องมองใจกับคนโน้นคนนี้นนผิดเรื่องที่ดินที่ดอนที่ไรที่นั่นโอ๊ยวุ่นวายอ ะ, ะยิ่งยากมีทิดป๋องมาบอกลุงตาลุงตาน้าติดกับคนโน้นคนนี้ วันหนึ่งเป็นหนึ่งเวลาฝนตกนีเห็นลงมามันย้ายเสาแล้วย้ายหลักกันนั้นไปแล้วผมออกไปผมก็ไปย้ายคืนเดี๋ยวมันก็ัมาอีกแล้วไอ้วันนั้นโอ้ไปอยู่กับคนชั่วเนอะวะอยู่กับคนโลภมันก็โลภไปนั่นแหะมันยากชีวิตเนี่ยเขาสมมุติว่าให้หลักมันเป็นอย่างนี้เนี่มันก็ไม่ไหวมันมันยังไปย้ายอีกย้ายมาเทั้นั้นย้ายย้ายนิดย้ายหน่อยก็ได้โอ้คนฆ่ากันก็เป็นแบบนั้นแหละลุงเท้าว่าเพราะมันยึดติดมากมันไปห่วงไปห่วงอะไรมไม่ศักดิ์ศรีไม่โดนโอ้ยผม อดไม่ได้อะไรมาอย่าไปยึดติดว่าถูกถ้ายึดติดว่าถูกก็เข้ากัโง่เหมือนเดิมอะยึดติดในความผิดก็อยู่ความโลภยึดติดความถูกก็ติดสมมติไม่มีอะไรก็คุยกันตามเรื่องให้มันเข้าใจผมก็คุยแล้วไปบอกแล้วแต่พอฝนตกหน่อยไวปเนี่ยมันออกมาใหญ่อีกแล้วเน่ะยให่หลักข้าวขิดคําแบนน้อแล้วโอ้ยอมโลกก็เป็นแบบนั้นแหละโปรงงสเถอะเนี่ยโปรงงสเถอะอย่าปี้อะไรให้มันมากมายนั้นเลยชีวิตเนี่ยเอาเท่าที่จําเป็นนั่นแหละ จบก็คือจบอะไรปรนะมาณนั้นยากนะโลกนี้ถ้าอยู่คนพานเนี่ยนี่ปัญหามันคือคนพานมันเยอะด้วยในโลกเนี่ยคนดีเนี่ยมันมีน้อยคนพานมันเยอะเอาไปมาโลงศาลมีเท่าไหร่ก็แก่ไม่จบแก่ไม่จบนะมีโลงมีศาลมีวัดมีวาแต่ก่อนเอาแค่วัดหลวงพ่อท่านพูดจบเอาผู้ใหญ่บ้านพูดจบเดี๋ยวนี้ไม่มจบนะ ทานั้นจบเป็นหมอก็เหมือนกันไปหาหลวงพอ่ออยู่วัดท่านเอายาต้มให้ยาดิให้จบเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะต้องไปเอ็กซเรย์ต้องไปใช้แสงต้องไปตรวจมากมายหลากหลายมันยังไม่จบเลยเดี๋ยวนี่ยะยุคมันเ ฟ, ฟื่องฟูกิเลตันหาราคะมันขึ้นสูงนั่นใส่ใจเถิดยาโจโ้ยปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมะให้มันเข้าใจธรรมะคือตัวเราเองนี่แหละตัวเราเองในก้อนทุกข์มาปฏิบัติธรรมคืออะไรมาปฏิบัติตัวเองเห็นธรรมคืออะไรเห็นตัวเอง เห็นต <elet> ัวเองไปไหนเห็นตัวเองเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมันเห็นควรปล่อยเห็นวางวางตัวไหนวางที่ความคิดความคิดนี่แหละที่ทำให้มันเป็นตัวตนวางความคิดซะให้มันปกติซะให้มันรู้แจ้งซะรู้แจ้งระดับไหนน่ะระดับเกิดวิปัสสนาญาทื่มาถ้ารู้แจ้งแบบจําเอาคิดเอาคํานึงคํานวณตามอาการตัดใช้ตักกะใช้ปัจญาลอจิกอะไรประมาณนั้นมันไม่พออันนี้ให้ความเข้าใจเฉยๆไม่ได้พอต้องเป็นการ รู้แบบจาแจ้งกันมาด้วยวิปัสสนาเนี่ยมันถึงจะเอาอยู่นั้นตั้งใจเถอะเราอยู่ในเมืองสกลนครเนี่ยเรามีของดีเยอะแยะวัดว่ า, าวาดที่กรมกรมตรงกรรมฐานในรักษาเอาไวา้แล้วปฏิบัตธิธรรมเถอะฝึกฝนเอาไว้ให้ลูกให้หลานเป็นมรดกอย่าเอาสนามกีฬากีฬายัดเข้าไปในวัดในวาน่านะเอาละครเอาหนังเอาร น, นี้เข้าไปยุง่งยากโอ้อยากเ เดี๋ยวนี้หนังเอาไปเต้นในวัดนี่ละครไปเต้นในวัดหมอรำเขาไปในวัดพระเขาเอาเก้าอี้ไปนั่งดูมันเด้งหน้าเด้งหลังเอ้ากิเลสมันมาลูบใจอยู่ตัลอดเดี๋ยมันก็ไปเนาะเพื่อนบัคุยกันวัดเท่าจะเป็นพระโบกแกนเนาะองค์ไดนมากเกิดซึ้งไหมวัน น, นี้าม่ใช่ว่าซึ้งจะในชื่อจอมบริหารพอเป็นเนี่ยวัดลงตาขนาดอยู่ดงอยู่ป่านคนก็ยังมาเยอะพระก็มาเยอะแยะไปเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่ระบบปฏิบัติธรรมนะคนมันแสวงหาไง ได้ไประโยชน์นะดังนั้นตัอ้งอกตั้งใจนะอย่าโยมต่อไปในวัดวาอาวาสจะถูกยึดเป็นส่วนราชการไป็โม้เป็นที่ตัง้งสะกอนเห็นไหมมันลุกขึนะ้นไปเนะเป็นที่เต้นเอลลบิกอย่างเงี้ยเป็นเด้งหนาเด้งหลังไส้พระบนกระควา้าไปแถวไกลๆนี่นหละพระก็ได้โอ้ยลงตาส่งสารนะพระในบ้านเนี่ยส่งสารเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะเขาจะจมอยู่กับ น, นี้ในสุดเขาก็ตาย ตายจากมรรคผลนิพพานไงนะแล้วอันนั้นก็เอาเอาสางเขาเขาว่าตั้งเอาที่ทําการนนั้นมาตั้งเอาที่อันนี้มาเข้าไปเข้ามาพวกเรานี่แหละทําลายวัดวาอาวาสทําลายศาสนาด้วยธรรมชาติเลยแหละแต่เราไม่รู้นะแต่พระก็ล่นถอยล่ น, ถ อ, ลนถอยล่นมาอยู่หาที่สงบสัขอยู่ดองอยู่ป่าอย่าลุตาลุงตาไม่ไปอยู่ภูเพ็กพวกอะไรเขาพงพ่อทั้นี้ทัง้งน้นค้อไปลางตาไม่รู้จะไปทําประโยชน์อะไรที่นั่นนะ มันเป็นวัดสังคมอั น, นั้นมันไม่มีพระนะให้ขึ้นไปอยู่ตรงาตาว่าหลวงตาว่าอยากทําบบนี้ไงงานเนี่ยคืออยากทํางานสอนคนเราไม่อยากเป็นพระวิเศษไม่อยากเป็นพระขังพระศักดิ์สิทธิ์อะไระแต่อยากเป็นพระสอนคนได้ประโยชน์นี่ขึ้นไปสอนอยู่บนภูเขาเนี่ยคนนั้ น, นก็นมาเที่ยวคนนี้ก็กมาเล่นได้ประโยชน์อะไรอยู่ดองอยู่ป่าจะจัดที่ปฏิบัติทำก็ไม่ลำบาก็หลบไปโน่นหลบไปนี่มันทำมาเนี่ยมิบอันนี้มันง่ายๆจริ ง, งๆอยากได้ที่ลับๆเลยซ้ำไปอ่ะ คือเราจะมาจัดสร้างโรงเรียนสอนคนนั่นเองนะไม่ได้ทําเรื่องอื่นนั่นเรื่องแบบนั้นก็คือมันเป็นวัดชุมชนนะส่วนเขาแย่งกันก็นเอาไปนะอันนั้นเรื่องแบบนั้นดูแลกันไปบริหารจัดการาไว้ทําบุญตักบาทเทโวเทโวเทโวเทโวแปลว่าอะไรรู้จักไหมเทโวแปลว่าเทเยอะคุยโวคุยมากได้หลายเถื่อแล้วก็ไปเทได้หลายเทื่อเขาไปเทเขาเออเทโว เราไม่เข้าใจเทวโอทําเหมือนว่าพระพุทธเจ้าออกจากอะไรน ะ, สะเสด็จลงจากสวรรค์เมืองดาวดึงเมืองสังกัดสนครเสด็จลงมาวันนั้นเป็นวันที่เปิดโลกก็คือหมายความว่าวันเทโวโอนะก็คือวันที่เกิดการรู้แจ้งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนเห็นเทวดาเทวดาเห็นคนเปรตผีเทวดาเห็นคือวันที่เราสามารถเห็นจิตตัวเองพูดจริงๆเนี่ยโดยปรมัทิตย์เสจากคือสามารถเห็นใจตัวเอง เห็ใจที่มันโลภก็เห็นมันโกรธก็เห็นมันงุนงิดก็เห็นเห็นแลดด้ดับได้ดับได้ดับได้มันงุนงิดมาก็รู้เนี่ยวันนั้นอะเขาเรียกว่าวันเทโวโรหนะจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงทําแบบแจ่มแจ้งให้คนฟังเลยจังจากที่ท่านไปจำภาษาอยู่บนภูเขาแล้วท่านลงมาเนี่ยวันนั้นคนเขาไปต้อนรับก็ทําบุญทาทานของเราไม่มีอะไรเลยนะทาทีเหมือนพระพุทธเจ้าเอาแต่ทานอย่างเดียวไม่ได้แสดงทำไม่ให้คนรู้จักธรรมะธรโมอะไรไม่เข้าใจอะว่าอะไรคืออะไร มีแต่อยากทําบุญอยากโปรโมทโฆษณาแต่เรื่องทําบุญนําทานซึ่งมันผิดพุทธประสงค์อยากทำแต่เรื่องการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจและ ส, ะสังคมจะเสื่อมทรามคนเยอะที่ไหนเสื่อมทรามที่นั่นเพราะคนไม่มีทำเนี่ยสภาใดไม่มีบัณฑิตสภานั้นไม่ชื่อว่าสภาพุยา้ยยะว่าไม่มีผู้รู้จริงเนี่ยไม่รู้จิตรู้ใจตัวเองเนี่ยแล้วจะไม่สามารถควบคุมห้ามตามอะไรเป็นนี่ยรู้แต่ข้างนอกเอาคนเยอะเยอะเรียกว่าสภาแต่ปุ้ยยะว่าสภาที่ใดที่ประชุมใดไม่มีบัณฑิต ที่นั้นที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนเยอะๆที่ไหนชุมนุมเยอะจะมีปัญหาปัญหาขยะตามมาปัญหาโนนปัญหาหนี่ตามมาเยอะยะเนี่ยตำบลนี้อีกไม่นานเนี่ยอาจจะได้เป็นเทศบาลร้านค้าประชากรตรงนี้มันองค์ประกอบมันเหมาะส ม, มทําปัญหาก็จะตามมาเยอะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งไปเรื่อยๆเรืยเร่ยๆ เ, เ, เพราะอะไรเพราะว่าพัฒนาวัตถุก็คือพัฒนาไปสู่ระบบขยะนะนั่นแหละเดี๋ยวนี้ขยะทอม์ิเตอร์ก็ล้นเมืองเดี๋ยวนะี้เอาไปไหนไ ม, ไม่ได้ ใครก็เก็บซ่อนไว้ซ่อนไว้ซ่อนไว้เทวดาลังเกียจไหลายเม็ดไหลเกิดพายุขึ้นเข้ากรุงเทพขยะเต็มเก็บวันละหมื่นสามพันตันลูดิไหลออกมานยากที่สําคัญก็คือจะคุณจะมีมนุษย์ขยะมากขึ้นมนุษย์ขยะเนี่ยจะมากขึ้นความจเจริญไปที่ไหนความติดความสะดวกสบายไม่อยากฝึกฝนจิตอบรมใจมันจะมีจักรยะคนนี้ก็พูดยากคนนี้ก็สอนยากมากขึ้นมากขึ้ น, นสังคมเนี่ย จะมีโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเอามารีใส่ขึ้นมนุษย์เนี่ยแปดหมืนที่ก็ไม่พอนะอยู่ทางยุโรปเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านกว่าบาทนะโรงเรียนบำบัดจิตอย่างไทเกอร์บูดไปเข้าเนี่ยหมดไปล้านล้านเงหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันโอดาลาพกติดราคะเนี่ ย, ย พวกมีเ ม, มียเยอะๆท้องไปบําบัดพวกติดยาเสพติดก็ไปบำบัดไปบําบัดที่นี่แหละมันเหมือนวัดป่าเนี่ยเขาสร้างศูนย์ขึ้นมานของอเมริกาให้ไปอยู่คนเดียวฟังปฏญาฟังธรรมะบ้างคือเขาจัดแวดล้อมว่าคุณจะบริโภคอะไรก็ตามเป็นไปเพื่อการเข้าใจตัวเองตลอดเวลาดเดือนหนึ่งนั่นนะแต่นี่เรามาปฏิบัติเจดวันเงินก็ไม่ได้เอาอะไรก็ไม่เอานีน้ําส้ำปลุกตื่นปลุกนอนปลุกมากินข้าวเนี่ยโอ้ขยันอยู่เนี่ยมันก็ยังบ้าเอาโห๊ยบริการดีโพดไว้เบ้าล้ว มันติว่าเราบริการดีโพดโพดก็คือเกินไปนั่นแหละโพดดอกมันดีเกินไปอ่ะฉะนั้นต่อไปในอนาคตจะมีโรงเรียนอันนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์นี่ให้คำตอบกับสังคมไม่ได้พระสงฆ์คือนักจิตวิทยานะแต่ไม่ใช่นักจิตวิทยานักวิปัสสนามันเกินในนี้ฝรั่งเขามาเรียนรู้เยอะเพราะเขาไปสอนไงแต่พวกเรานี่ไม่ตื่นตัว แต่ต่อไปในอนาคตคือพระนี่จะสอนไอ้พระเนี่ยว่าตัาอาวาตจะไม่เกิดเดี๋ยวนี้จะเป็นนักจิตวิทยามาทํางาน听得ไหมเวลาอบรมนักศึกษานักเรียนจาเนี่ยมีระบบทหารก็้มาช่วยคว้าหันท้ายหันคนเรามันจิ้วกับรูปกับนามต้องฝึกกายด้วยฝึกใจด้วยทุกคนจริงจริงคุณอธิบายรูปน้ําผิดแล้วมันไม่ไปแบบนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องการรู้แจ้งไม่ได้เกี่ยวกันแบบนั้น น, นั้นก็จะมีแบบนี้วิทยากรจะเป็นลนเครื่องข้างนอกมากขึ้น คนสอนธรรมะต้เป็นคนข้างนอกนะไม่เคยกับพระแล้วพระนี่อะไรแห่ไปเรียนเึงข้างนอกมันใครๆว่ามันให้คําตอบกับสังคมไม่ได้โรงเรียนวิถีพุทวิธีทําอะไรก็ทำเนาะมันเข้าไม่ถึงเนะี่ยมันได้เปลือกมันมันได้เปลือกมันสติที่แท้จริงพทุทธะรู้ตื่นเบิกบานโรงเรียนไหนก็านตามงหงิดน้อยไม่ปรุงแต่งปล่อยวางเป็นเนี้ย ปฏิบัติหน้าที่เรียนหนังสือทำอะอยู่ด้วยสติด้วยความรู้ตัวอะไรเน้นความรู้สึกตัวเนี่ยนั่นแหละวิธีพูดจริงๆอ่ะอาจจะอ่านบาลีไม่ได้สักตัวก็ตามแต่อยู่ได้จิตที่สะอาดสว่างสงบโล่งโปรง่งและลึกรู้อยู่เนี่ยใช่เราเรียนมาหนึ่งว่อาอ้าวเดินเข้าห้องด้วยสตินะ้าเนี่ยเดินจากหน้าเสาตรงไปก็แล้วลึกรู้ให้เท้าไปเดินลงมาก็แล้ลึกรู้มากินข้าวก็แล้ลึกรู้ตัวเี่ยเดี๋ยว น, นี้นมันไม่เลยมีแต่เครื่องย้อมย้อมยั่วย้อมมอมเมา ไม่ว่าที่ไหนก็ทำเอารูปเอารถเอากินเอาเสียงมาลากไปลากไปแล้วไปนั้นมันจะสงบเป็นเรือมนุษย์เนี่ยปีนี้หลวงตาก็เตรียมตัวว่าจะให้ทุนการศึกษาคนเหมือนเดิมแต่หลวงตา ก, ก็รู้นะว่ามันอะไรสาละให้ทุน ก, นการศึกษาให้เงินไปเราไปทําอะไรอ่ะบางครอบครัวอาจจะไปใช้เพื่อทุนการศึกษาจริงแต่บางที มันก็ไปซื้อมือถือบ้างเอาไปซื้อเกมเล่นบ้างเอาซื้ออะไรบ้างแล้วลวงตาเป็นพวกเข้าใจชีวิตจะมีความรู้สึกวช่างหัวมันเถอะเชื่อช่างทีดีช่างสงให้มันไปนะแล้วจะมันจะไปทําอะไรเหอเรอน่ามองข้ามเรื่องพวกนี้ไม่ได้เราต้องละเอียดมากกว่านั้นนะที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยช่วยคนอเยพไหนปีนี้คิดว่าจะแจกทุนการศึกษาของ เด็กที่เป็นคนดีนะเรียนไม่ดีก็<า>กกช่างหัวมันเราไม่เอาเรียนดีแต่ยากจนไม่เอายากจนแต่เป็นคนดีต้องชายจะเอาแบบนี้มันยากจนแต่มันเป็นคนดีอะเราจะให้เขาเรียนไม่ดีก็ช่างแต่เขาเป็นคนดีให้ครูเขาเลือกมาให้อะไรประมาณัน <però S 1> เราก็ไม่ได้เลือกเองนะแต่แต่ก่อนว่าต้องเรียนดีแต่นี่ไม่ไม่จะเป็นต้องเรียนดีเพราะแต่มันเป็นเด็กดีเถอะนะช่วยปัดช่วยกัดเก็บขยะอะไรครูเขาเลือกมาอะไรประมาณนัจะให้แบบนั้น ถ้า็จะแจกที่นอนไปตามโรงเรียนต่างๆสักสองร้อยชุดซื้อมาต้องหกหมื่นนะที่นอนเด็กเนี่ยแจกทุนการศึกษาสักยี่สิบหกทุนทุนละพันหน้าประมาณทำแบบโลกๆนะเนี่ยเมื่อทีก็คิดทบทวนเฮ้ยกูมาซื้อข้าวให้พวกมาปฏิบัติทมบาลุทำไม่ดีกว่าหรือไปแจกเด็กเ น, เนี่ยปีนี้ก็เลยไล่เช้ามาเรื่อยๆๆพราะกิจกรรมมันหลากหลาย ยากนะยากยากยากการที่จะช่วยเหลือคนถ้ า, ถาวัดนั้นก็ทำวัดนี้ก็ทำช่วยกันก็ะจะดีมีประโยชน์แต่นี่ก็อย่างว่าแหละนะสังคมนะช่วยกันเถอะโยมฝากเอาไว้กับพวกเราปฏิบัติธรรมตั้งใจโลตาก็ทำได้เฉพาะสติปัญญาโลกไปใกล้เจ็บก็เยอะใกล้จะมรณะแล้วเนี่ยแต่โยมยังมีสติปัญญามีสังคมกว้างมากช่วยหน่อยเถอะ ช่วยสังคมเขานะช่วยสังคมเขาแต่ถ้าจะช่วยให้จริงๆคือช่วยที่จิตเพราะจิตเป็นตัวปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ใจถามว่ายากไหมยากเร mm. ื่องง่ายๆเขาทําก็หมดแล้วฝ mm. ึกไปนั้นฝึกไปนี้ทำงน้นทนี่เขาทำก็หมดแล้ว mm. เห็นไม่แก้ปัญหาได้ไหมไอ้ที่ว่า้ง่ายๆแก้ปัญหาไม่ได้ซะ ก, กัน mm. อปตอก็ทําแล้วแต่มีเอากีฬากีฬาดึงไว้อยู่นี่นะ <laughs> กีฬาเนี่ยอาจจะช่วยเด็กด้วยช่วยตัวเองได้มีทางกินด้วยประมาณนะเอาเงิประมาณออกมาทําร่นทํำนีนน้เป็นเป็นเรื่องของโลกนะธรรมะก็เข้าใจว่าโลกมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละโลกก็ต้องเป็นแบบนั้น น, นนะบางทีถมถนนนทางถมน้อยๆบางทีนี่นี่น่หน่อยๆเหมือนพวกรอปรชนนะเอายางมาตอนมาใส่หลุมถนนเนี่ยดวงตานับสี่หลุมวันหนึ่งหลุมเท่าบาทดวงตานี่ต่อวันก็ยังไม่เสร็จ แต่กขามาเซ็นออกว่ามาทำงานเท่าไหร่แปดคนแต่คนเขาก็จะเอาเงินค่าเบิกออกมาแต่ให้พวกนี้ไม่เยอะแต่มาทำงานอยู่นั่นแหะเบี้ยเลียยเล้ยงเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงอยู่นั่นะนะหลวงตาก็พูดกับผูดอำนวยการแขวงอย่าเอาหลายหลายหลวงตาว่าเอาจักหน่อยก็พอดอกอย่าเอามามาทำงานหลายวันหลายวันเดียวก็เสร็จเนี่ยว่าสี่หลุมเองหลวงตา เขาจะมาเทยัยงมาต่อยรอบนี้ลุงตาให้ลุงตาว่าลุงตาไม่เอาอ่ะพ อ, อะไรเพราะว่าอธิบดีมาปฏิบัติธรรมที่นี่อธิบดีกรมทั้งหวงเนี่ยมันพวกนี้ก็ตาแตกตาตื่นขึ้นมาเขาก็มาลุงาโอ้ยมันยังว่านะวันที่เขามาหาลุงตาบ่อยลุงตาพูดซื่ อ, อ, อตรงๆเขาก็กลัวกลัวว่ารู้ทันเขานะคือทําก็ดีทําให้มันดีเถอะกินเนี่ยมันธรรมชาติหรอกมันก็เป็นธรรมดาแหละมีเปอร์เซ็นต์ น, นี่ะมีนี่อะไรไป แต่อย่าให้มันเกินไปหลายหลวงตาเล่าให้ฟังกนะันน่ะเนี่ยป้ายหลงตาวัดเนี่ยทําให้คนเป็นอามาพาศไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยป้ายวัดเนี่ยหลวงตาบอกเขาเจ้าหน้าที่นี่นั่นนะ่ะบอกว่ามาทํำป้ายห้ลวงตาหน่อยป้ายตีหน้าวัดเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ไม่มีงบประมาณถ้าหลวงตาเขียนหนังสือเขาไปเนี่ยจะมีงบประมาณและ้ะจะมีป้ายชนิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่นะป้ายสะท้อนแสงไม่สะท้อนแสงนะ เดี๋วว่าเอา้ามีป้ายเก่าอยู่เขาคนบอกว่ามีป้ายเก่าอยู่ในหลวงตามีแต่ซื้อสติกเกอร์เท่าไหร่พันห้าหลวงตาเอาไหพันห้ไปไปซื้อสติกเกอร์จีหัวหน้าเขาไม่เห็นเนะนี่ยที่เนี่ยมึงได้เท่าไหร่เนี่ยนะตรงแบ่งกูนะเนี่ยมึงแอบทำใช่ไหมไม่ใช่หลอกหัวหน้าทําไปให้ลวงตาที่วัดมึงต้องได้มาแนะเท่านั้เท่านี้เขาเป็นลูกจ้างไปจำไง มึงไม่บอกกูก่อนเนี่ยอะไรประมาณนั้คือป้ายหนึ่งป้ายหนึ่งป้ายรกธรรมดาเนี่ยห้าพันบาทนะแต่ถ้าป้ายโกโก้เนี่ยก็หมื่นห้าก็หมื่นหนึ่งเนี่ยมันกินเยอะนะแต่จร yes ิงๆงบประมาณคือ <anes> ต้องประมาณนั้นแล้วหาว่านี่คนนี้กินก็คือเขาเพ่าะเขาไม่มีเขาไม่ได้รับอะไรมาเอาแค่พันห้าเอามาซื้อสติ๊กเกอร์นี้ติดเฉยๆเอ็นเอวาน่นนะอันนี้ก็เก่านี่ยเขามึงโกหกกูมึงกินได้ครั้งเดียวนะ กูไม่คิดว่ามึงจะได้อยู่นะต่อไปเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือจะไล่เขาออกนะครับคนนี้มันก็คิดมากดิเพราะจำนายตจำนี่กามมันคิดมากสองวันสามวันมาลม้มเส้นเลือดฝอยในสมองแตกไงเป็นอัมพาตไปเลยเนี่านาสงสารนะเพื่อนเขานะ่ะมันเล่าให้หลวงตาฟังว่ามันเป็นเพราะอย่างเงี้ยเพราะเจ้านายมาขู่ว่าต้องจ่ายเขาอะไรพวกำำนั้นโอ้หลวงตาก็ทําบาตรทากรรมนะเนี่ยเป็นอัมพาตเลย แล้วเมียเขาก็ทิ้งก็เลิกกันเดี๋ยวนี้เมียเขาก็เอาผัวใหม่แล้วตัวเขายังรับไปสารักษาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้ยคนหนึ่งวามบอกว่าหลวงตาบ่ายมันในหน้บักกันนี้พื่อน่ะหัวนาหนีเพื่อน่ะใหญ่มันหนีในหน้าเพื่อน่ะเขาว่านะหลวงตาว่าหลวงตาไม่มีความความสามารถไปเซ็นขยายได้จะไปย้ายเรื่องอะไรมันกินในพิลอกได้เต็มที่หลวงตาเขาโอ้เขาคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษแล้วมั้งพอเดือนหนึ่งต่อมา ถูกย้ายย้ายเข้าไปอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือคนเขาไปแป็กไว้อยู่ในตำแหน่งที่เลวร้ยายที่สุดนะ่ะเขาว่าเขาเลยมาหาว่าหลวงตาย้ายเขาอีกทีนี่โอ้ฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรอยู่นะไม่ได้ทําอะไรเขาบอกว่าหลวงตานะว่าหลวงตาย้ายเขา อ, าอีวทีหลวงตาไม่รู้เรื่องอีไยแต่มีคนเคยมาพูดอยู่ว่า ใหญ่แม่มาในหน้าปักกระหน่ำมาทำลายคนมันทําไม่ได้ย้ายเราทำไม่ได้ว่าอะไรเราทำเขาไม่ได้พุ่ยอะไรให้ใครฟังเขาก็เลยสบายสบายทุกวันเนี่ยพ่วงอยู่ในนั้นดงนั้นชีวิตนะจู่ก็คนพานเนี่ยยิ่งคนพานเข้าไปอยู่ในในที่ทําเงินทําทองที่เศรษฐกิจภาษีของรัชดรมาตั้งาต่ไหนยิ่งแย่นะมันจะลําบากไ ป, ไปเรื่อยๆยากลําบากแหละ นั่นอยากได้คนดีๆคนมีสติมีธรรมมีศรรมีลมีธรรมแล้ว เ, เอาพอดีพองามประมาณนะั้นอะไรก็ตามน่ะนะนะความเป็นอยู่ชีวิตอมันเรารักงานประเภทนี้แต่ยัดให้ความโลภมันเกิดเยอะถ้าเราฝึกสติว่ามันความโลภเกิดก็รู้จักตัดรู้จั ก, จกปล่อยรู้จักวางบางมันก็ดีมันก็ง่ายขึ้นตั้งใจเอา้เอาวันนี้ว่าจะไม่ให้กินข้าวนะเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่เช้าเลย เพาต้องเข่งขึ้นบ้างแหละเนาะมาที่นี่ลงตาไม่ให้กินก็ต้องไม่กินนะโอ้ยผมเป็นโรคกันั้นโรคเนี่ยโรคก็พร้อมที่จะตายและมีแค่ตายหลวงปู่สังเนี่ยสบายให้กินข้าวเขกินพระที่มาไม่ได้มาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้กินข้าวแลเนี่ยพระเนี่ยอตาบอกกินข้าวตอนเช้าก็กินตอนเช้ากินตอนเที่ยงก็กินตอนเที่ยงไม่ห้ามกินก็ไม่กินนะทเนี้ยพลิกได้หงายได้นะ นับภาษาไรโ ย, ยมไม่ใช่ลู ก, กตอตมา ก, กินอยู่นิตเฮือลูุสังมันไ้กินบ้างเหรอเอามาตัาง้งเลยตี่บ อ, อกินมันจะได้บอมันจะเน่าเลยไปงูวายอ ย, อยู่เอาลองต า, างทีลงตาครับเ ท, ทิ้งนะนเอาเอาข้าวหม้อเดียวไม่กินแล้วแรกกับคนที่เข้าถึงนิพพานได้ได้ปฏิบัติทํา ร, รู้แจ้งเนี่ยมันก็นพอแรกอยู่นะ มันจินิพานทั้งข้นทั้ ง, ขงเขานเนี่ยเนียไมไหวเอา้ากินก็กินเชื่อคนแก่